วันที่ที่สิบเอ็ดกันยายนก็ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาฟังธรรมตั้งแต่เข้าพรรษามาไมีได้ขาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ฉลาดในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากร่างกายสังขารนี้ที่ไม่มีสาระให้มีสาระเพราะว่าร่างกายสังขารนี้ถ้าเราไม่มานำมา สร้างศีลสัสมผัิปัญญาให้เกิดเป็นประจำแล้วก็ น, นวาไร้ประโยชน์จริงๆเพราะมันจะต้องผุป่วยเหนื่อยเน่าไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้เป็นทำร่างกายนี้ให้เป็นชนะรองรับศีลสัมผัสปัญญาให้เกิดขึ้นในใจิตในใจแล้ว ร่างกายนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนะดังนั้นเองเราจึงทําร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการนํามาเป็นภาชนะทองคํารองรับเอาคำสั่งสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าแมนะ้แต่พระองค์ปรินิพานไปแล้วแต่ก็ยังเหลือไว้ซึ่งสงสาวกของพระองค์ท่านได้สืบทอดคําสอนมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีไม่เคยขาด เพราะการที่ญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะประคับประคองช่วยกันในการนำมาสาธยายช่วยกันฟังช่วยกันพูดและช่วยกันนำมาประพฤติปฏิบัติก็ทำให้แสงสว่างแห่งธรรมะแห่งประทีปธรรมนี้ได้อจุดสว่างต่อไปอยังลูกยังหลานอนุชนรุ่นหลังต่อไปไม่ให้ขาดเหมือนกับเราทั้งหลายได้รับ ทอดสืบทอดมาจากพระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตตลอดถึงพุทธบริษัทผู้เป็นบนรรพบุรุษปูย่าตายายของเราได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงชนชั้นเราและเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทก็ได้นำสืบทอดต่อไปอยังอนุชนรุ่นต่อไปด้วยการมาช่วยการศึกษามาฟังร่วมกันซึ่งในวันนี้อาตมาภาพ ก็ได้ร่วมกับพระอาจารย์สุวรรณจิระปัญโยสุวนโนธรรมสุวรโนเอาใส่ธรรมไปหน่อยนะสุวรรณเนยเฉยๆ อ, อ, อ, อปัญญาสุวรโนก็ได้ได้มาช่วยกันสาธยาย ฟังและในขณะฟังนี้เราก็จะตั้งติตสดับรอบฟังเป็นสมาธิไม่ให้จิตใจวันไหววอกแวกไปกับสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบข้างชักชวนดึงดูดให้สนใจวอกแวกวันไหวไปตามสิ่งรอบข้างโดยการตั้งจิงตดสดับรับฟังโดยเป็นสมาธิบนหน้านี้จะมีการถามอะไรก็อยากจะให้ท่านสุวรรณซึ่งเป็นผู้ที่ได้มา ดูแลรักษาว่าเราเป็นรอบที่สองว่าท่านมีอะไรที่จะบรรพีให้ญาติโยมได้ฟังก่อนที่จะได้สนทนาธรรมกันต่อไปก็มีนักการบัดนี้โยมเ้ยวันนี้ถ้าเป็นมวยเนาะมวยแชมโลกกับมวยบ้านนอกนะขึ้นเวทีวันนี้จะเป็นยังไงนะเขียวละ อืมเราจะวิ่งรอบเฉียกจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นธรรมดาในการมาก็ถือว่าพระลูกพระลานได้มาเรียนรู้ศึกษามาอยู่วัดป่าพุทธยานนธารามมาพึ่งใบบุญบารามีตรงพ่อประมาดิเรกพุทธยานณโพนี่แหละก็เป็นรอบที่สอง ก็ตกใจอยู่นะคิดยากมากจะได้ขึ้นเทศกับหลวงพ่อนี่โอ้ของกิ่งกองกิ่งตายตายตายเราคงไม่ตายเนาะถ้าตายคงไม่ได้มานั่งอยู่บนธรรมานี้อ่วันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดป่าก็มีการฟังฟังก็เอาในสิ่งที่ฟังอย่าเอาผิดเอาถูกกับการฟังของให้ฟังไปเรื่อยๆถ้าสงสัยไม่เข้าใจก็ถาม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 อากาศวะโตราหะโตสัมมาสัมพปตัสสัตตังวิหายมะมติสัจเกวาทกเกตุงวาทาพิโรปิตะมะยังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัจริโตคิตวาโมนินโทตีตี ขออนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากาสจากหลวงพ่ อ, อผู้เป็นประมุกประหานในวันนี้ที่ได้นั่งอยู่บนทาบาทโน้นคณะสงฆ์ทุกองทุกรูปพระมาตตมาภาควันนี้ก็ได้รับฉันทานุมาสให้ขึ้นมาบนธรรมาทจะได้แสดงพระธรรมเทศนา เป็นชำนองปุจฉาวิสัชนาถามตอบปัญหาซึ่งก็จะได้นําเอาคติสัธรรมคําสั่งสอนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดสาระในการที่จะนําไปในวันนี้ก็จะยกเอาเรื่องของสัจจะนิคนซึ่งเป็นนิหารในเรื่องต่อเนื่องจากพระหงตอนที่ห ในสัจจการ น, นิค น, นี้จะเป็นไปอย่างไรเป็นมาอย่างไรนั้นก็หลวงพ่อคงให้ผมเป็นผู้เล่าประวัติความเป็นมาเบื้องต้นก่อนแล้วก็หรื อ, อยังไงครับหรือว่ายัางไงหรือหลวงพ่อจะอารามพบทไปแล้วก็ผมสงสัยอันใดผมจะแต่ถามพระคุณหลวงพ่อให้เกิดความกระจ่างแก้งครับผม เบื้องต้นนี่เราก็มีการสมมติกันนะว่าการสนทนาธรรมนั้นอธตมาภาพในฐานะเป็นผู้แก่พันสาก็ทําหน้าที่เป็นผู้ไต่ถามเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้รวบรวมเอาคำสอนเอาคำสงสัยของญาติโยมขึ้นมาเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยไปสู่สํานักพากไปฟังทําในสํานักของพระอาจารย์สุวนรเมื่อไปถึงแล้วก็จัดแจงแต่งที่ได้รับการต้อนรับ กัท่านไปอย่างดีเมื่อท่านต้อนรับแล้วเราก็เข้าไปทักทายท่านว่าท่านเป็นยังไงอยู่ดีสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเข้าไปสูบสํานักของคุณเจ้าเรืยกสักว่าสักวาทีสักวาทีอาจารย์ก็พวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นปรวาทีอาจารย์มาจากสํานักอื่นเมื่อท่านเป็นสักวาทีอาจารย์เป็นผู้เจ้าสํานักเขาเข้าไปถามก็อยากจะถามว่าท่านได้ยกข้อ คาถาประหงว่าด้วยเรื่องของ ส, จสัจนะสักกนิคมหรือว่าสัจจังวิหายะมติสัจกวาทเกตุงวทาพิโลซึ่งก็ไม่ว่าไปงานโหวตงานสวดงานฉลองที่ไหนก็จะมีการตักบาตรเมื่อมีการตักบาตรแล้วก็นําวัคคะถาแปดบทนี่ยมาสวดกันเมื่อสวดแล้ว เราก็ไม่รู้เราก็สวดเราก็ใส่บาตร้าไปพระชั้นเสร็จแล้วว่าอย่ยโยมทานกลับบ้านคายบันมันมโดยที่ไม่ได้เรกักรู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมัหมายความว่ายัางไงดังนั้ น, <ม> น, นพระคุณจเจ้ายกเรื่องเคื่งเงิสัจจังวิหา ย, ยะมิจิสัจจะตวเทเกตุง เ, เนี่ยเรื่องราวมันเป็นวาอย่างไรโปรดเล่าให้โยมฟังก่อนที่จะมีการซักถามต่อไปครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเองครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมอหลวงพ่อก็เลยเราไปแล้ว เนี่ยสัจจะ ก, กนิคนนี้นะญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็เป็นเรื่องของสัจจะเรื่องของความจริงอันดัเสดซึ่งสัจจะก็คือมีความเป็นมาว่าสัจจะกนิคนนี่เป็นผู้ที่มีนิสัยที่แบบว่ามีความหัวดื้อก็ได้หรือว่าความสัตหรือว่าความมั่เขาเรียก ว, ว่าความมั่งใหญ่สูง ขอไม่ลงตัวหรือว่าชอบอวดดีประมาณนี้แหละในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เลยว่าเป็นผู้ที่ผู้ที่ชอบอเอาชนะคนอื่นอยู่เรื่อยไปนั้นในครั้งพุทธกาลนั้นก็มีมีศาสนาซึ่งล่วงเรืองอีกศาสนาหนึ่งก็เรียกว่าเป็นศาสนาเขนศาสนาเข น, นมีมหาวีระ หรือว่าท่านนิครนนาถบุตรเนี่ยเป็นศาสดาในเมื่อเป็นศาสดาอย่างนั้นก็มีนักบวชของศาสนาเชน เ, นเรียกว่านิครนไม่ใช่เรียกว่าหลวงพี่หลวงพ่อนะอะนักบวชเขาเรียกว่านิครนเมว่าเป็นนิครนั้นก็ทั้งทั้งนี้นี่พุทธศาสนาและก็ศาสนาเขนเนี่ก็ต่างก็มีผู้นับถืออยู่มากมายแต่ว่า ผู้นำศาสนาหรือว่ า, าผู้นำลัทธินิคลนหลือว่าแล้วก็ลัทธิของอแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้ากันมาแม้นแต่ครั้งเดียวละเมื่อนั้นแล้วก็มีเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีนี่เป็นเมืองเวสาลีนี่มีอาจารย์นิครลนนะ นิคนเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์นิคนหญิงคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์นีิคนชายคนหนึ่งแล้วก็ต่างก็เล่าเรียนวิช า, ากันมาเดี๋ยวคนนี้นิคนนี่มนออนนะไม่ใช่ชื่อของคนนะไม่ใช่ชื่อครับเป็ชื่อของนักบวชเป็นชื่อของนักบวชถ้าเป็นลัทธิเทวันนี่อย่างพวะอยัยสูเขาเรียกว่าสมณะน่นะถ้ามาเรียกของเราก็ว่าพระพิสูุนนะอย่างผู้ที่รักเนี่ย เขาถูกคณะสงฆ์เอ า, าเตะหี่ไปว่าทําำไม่ถูกท่าเขาก็เลยบอกไปบวชอีกลที่หนึ่งเขาท่านตั้งละที่คนมาเป็นละที่ไอโซเขาก็เรียกตัวเองว่าสมณะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี่ก็มันมหาวิราเนี่ยถ้าจะเรียกว่าพระภิกษุแล้วเรียกว่านิโครนเนี้ยคือเป็นชื่อขคอนั้งบวชชื่อหนึ่งเขาว่านิครนเนี่ยครับครัเขาเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย ซึ่งเมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นผู้เป็นอาจารย์เใช่ไหมเป็นอาจารย์ที่มีความรู้มากแล้วก็มีปัญหามีข้อธรรมถึงคนละห้าร้อยข้อนะถ้าทุกวันนี้คงจะเป็นด็อกเตอร์หญิงและด็อกเตอร์ชายเขาเชิญมาบรรยายหรือว่าเชิญมาเป็นอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ประจําของกษัตริย์รัฐรัฐ ล, ล, ลิชวีนะรัฐ ล, ลิชวี ซึ่งก็เชิญทั้งสองนี้ให้อยู่เป็นอาจารย์ของกุมารของลูกเนาะไม่ว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยทั้งสองนี้ต่างคนต่างมีความรู้คู่กันแล้วก็ภูมิรู้ภูมิธรรมเสมอกันก็จึงได้แต่งงานกันพอแต่งงานกันทั้งสองนี้ก็อยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันมาก็เกิดมีลูกธรรมดาเนาะเพิ่มขันหาขันสิบขันสิบหาไปเรืๆๆ่อยๆจากขันสิบสิบห้ายี่สิบไป มีลูกมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสี่คนเรามีลูกสาวสี่คนลูกชายหนึ่งคนก็ต่างคนก็ต่างอวดภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งกันและกันในเมื่อลูกสาวนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นหรือว่ามีาาศาสนาพุทธเกิดขึ้นเป็นยังไงเอออยากจะรู้ในหลักธรรมจะเท่ากับตัวเองไหม จะเท่ากับลัทธิเราไหมจะสู้ลัทธิเราได้หรือไม่อย่ น, นี้ฟังแล้วสับสนนิดหนึ่งว่ามีคนสองผัวเมียเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมหาวีระแต่ว่าไม่ใช่นักบวชแต่ว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมในสำนักของมหาวีระบังเอิญว่าอุบาสกอุบาสิกาสองคนมาปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่ า, ารู้ธรรมได้รู้ธรรมจากมหาวีระแล้วก็รู้ธรรมแล้วแต่ว่าก็ยังเปกระหรชาวบ้านอยู่ แต่เป็นดัวสุบาศิกาเฉยๆครับแล้วก็เกิดชอบใจแต่งงานกันครับผมแต่เนื่องจากว่าลูกศิษย์สองคนของมหาวิรัตน์ถึงเป็นดัวสุบิกาแต่ว่ามีความรู้มากครับมีความรู้ก็เลยเนะจ้าสัตวิชวีเนะี่ยเห็นว่า ราชบุตรราชกุบารที่เกิดมาเนี่ยก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีกูบารจารย์สอนว่ากันเลครับผมแล้วก็เชิญอุบาสกอุบาสิกาสองท่านไปสอนในพระราชวังครับผมพอมาอุบาสิกาสท่านก็แต่งงานกันครับมีลูกห้าคนเป็นผู้หญิงใช่สี่ครับหรือผู้ชายหนึ่งครับผมอย่างนั้นครับจุดต่าหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมจดแจ้งครับเล่าต่อไปครับแม้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะโยมคงไม่สงสัยแม้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ในเมื่อสี่คนนี่ธรรมดายจิตของผู้หญิงก็มีกิตที่อ่อนน้อมอยู่บ้างใช่ไมไม่ไม่พยศนานะถือตัวเท่าไหร่แบบนี้ก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็จึงได้คิดว่าเอเรานี่จะไปห า, าผู้ที่ถามปัญหาตอบปัญหาให้กับเราได้ไหมก็จึงได้ไปเจอกับพระสาลีบุตรเข้า ภาษาลีบุตรนั้นก็ได้ถามปัญหาได้ตอบปัญหาได้เคลียให้กับปัญหาทุกอย่างในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอ อ, อทั้งสี่นี้ก็เลยคิดว่าโอ้คำสอนของพระพุทธศาสนานี้มันเด่นชัดจริงๆนะสอนแล้วมันสามารถรู้แก้งไดง้จริงๆก็จึงเปลี่ยนจากการเป็นนิครเข้ามาสู่การบวชเป็นนางภิกษุณี ในสมัยน้นเป็นภิกษณุณีเล่าเรียนธรรมจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็เข้าเป็นสาวกของพุทธะส่วนว่าบทชายแบบนี้มันเหลืออยู่บุทชายคนเดียวจะทํำยังไงนาะผู้ที่จะสืบทอดเสกุลในเมื่อเป็นอย่างนั้นบุตรชายคนนี้นี่ก็ชื่อว่าสัจจการิคนนี่ชื่อว่าสัจจการิคน สจาการนิค น, นี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะว่าได้เล่าเรียนจากบิดาและมารดาอ่ามีความรู้ถึงพันวาทะเพราะว่าจากแม่ห้าร้อยจากพ่อห้าร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังได้ไปร่ำเรียนจากสำนักอื่นๆอีกต่อมาก็ได้เป็นอาจารย์ของอ่พาพ ร, ร, ระกุมารกกุมารกัศะเรียกว่า เป็นอาจารย์ของอลูกของกษัตริย์นเะเดอชวีด้วยทีเนี้ยนะเพราะว่าถือตนเป็นใหญ่นะในภรกระทักกาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสัจจกะนิคนว่ า, อ, าอัคขิเวสนะอัิเวสนะในสัจจกะนิคนนี่หมายถึงว่าเป็นลูกของบาสุเบสกาที่ว่าสองคนเนี่ยเขามีลูกห้าคนใช่ไหมครับผมปากว่าเป็นผู้หญิงสี่คนเนี่ย ก็มาบวชตนแรกบวชในศาสนาของมหาวิระเหมือนกันครับที่วันน้การนุ่งลงหมงฟ้านี่นะครับรแต่ต่อมาก็เลยบวชตามพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิปปก า, าธรรมดาแต่ปฏิบัติธรรมเพราะได้ลูกห้าคนเพราะว่าตัวเองเป็นอาจารย์สอนในพวกราชกุมารใช่ไหมครับถ้ามีลูกห้าคนลูกห้าคนนี่ออกบวชหมดเลยลูออกหญิงสอบวชห้าทั้งห้าแต่ว่า 5, ผู้หญิงสีคนนี้ก็เลยออกบทแล้วก็สแสวงหาธรรมะสแสวงไปแสวงมาก็ไม่ค่อยชอบวิธีการของอมหาวิระเท่าไหร่ข้าสดาหมหาก็มาศึกษาต่อมาศึกษาตะกวดได้พบ ก, กับภาษาลิบุตรคเขาพอทำภาษาลิบุตรแล้วก็ได้เห็นธรรมแล้วออกบทเป็นพิสุณีใช่ไหมครับผมแต่ว่าสัจจานีคนผู้เป็นน้องคนเล็กนี่ตะเวดได้เรียนวิชาจากพ่อจากแม่เยอะ ครับผมอเรียกว่าเรียกว่าเป็นร้อยร้อยวิชาเลยว่าะงั้นเถอะเป็นพันเลยคเ ป, เป็นพันวิชาเลยแล้วปรากฏ ว, ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีอความมีความรู้มากเลยก็เมยอยากจะเข้าไปอศึกษาแบบน้องสาวอพี่สาวที่เข้าไปศึกษากับภาษาดิบุตรนะเราทีนี้เรื่องของคนนี้เป็นยังไงครับสัจจานิค น, นอในมุมมองว่าสัจจานิคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่า มีความรู้มากถ้านงตนเองถือว่าเป็นผู้รู้จนตั้งเอาแผ่นเหลกเ็กนี่มารัดกับท้องไว้แล้วก็เพราะว่าวเกรงว่าท้องจะแตกตายเนื่องจากภายในท้องของตเองนี่มีความรู้อยู่มากมายซึ่งเป็นว่าเออความหลงของทุกวันนี้มันมีมากนะก็เลยอยากจะถามเพราะว่าเออคนทุกวันนี้นี่ ที่แบบว่าหลงหลงนี้เป็นเป็นเป็นถึงขั้นขนาดนั้นเฉยเลคนทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นคนหลงภูมิหลงธรรมว่าตนเองมีมากมีเมื่อก่อนเนี่ยเขาเวลาเขามีวิชาเยอะๆเขาจะเอาเข้มขัดมารัดแบบแชมป์โลกนะ เขาทำเป็นแผ่นเหล็กเขาเห็นไหมแชมป์โลกก็มีแผ่นเหล็กข้างหน้าดีัหมคารทแบบนั้นนะซึ่วนนี้การมาเป็นแชมป์คนมีแชมป์ความรู้ในะสมัยนั้นก็เหมือนกับแชมป์โลกสมัยเนี้เขามาขัดเป็นตาเอาไว้อเราจะไปไหนก็ต้องใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุยอย่างคนสมัยนี้นะไปไหนก็ใส่เสื้อคลุยใส่เสื้ออะไรนะผูกเทกไทใส่เสื้ออะไรเสื้อกาวเสอนอกกันน ะ, ะละนักษณะใส่สูทแล้วจะน่ะแสดงถึงความเป็นผู้มีภูมิฐานมีความรู้แต่สมัยก่อนนั้นเขาใช้ อาลัทธิมขัดแบบนั้นเนะ่ยเลยสัจจะนีคนไปไหนทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงต่อครับวันนี้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิด อ, อวดตนเองไปทั่วเมืองเวสาลีเลยว่ า, น เ, าเนี่ยเรานี่เป็นผู้ที่เก่งกาสามารถโต้วาทะวาทีกับใครก็ได้แม่นแต่โต้วาทะกับต้นเสาต้นเสายัางอายเลยว่าั้นนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่ออย่างนั้นก็ อพองานก็มัวประกาศไปเรื่อยแต่อยู่มาวันหนึ่งก็เศรษกิจก น, นิค น, นี้ก็ได้พบกับพระอัศาคิเถละพระอัศาคินี่เป็นลูกศิษย์ของอเป็นอาจารย์ขอไปเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร ด, ด้วยก็เลยได้เข้าไปถามถามว่าพระพุทธเจ้าของเธอเนี่ยสอนเรื่องอะไรอาศาัศคิจงตอบมาให้แน่ชัดนะถ้าไม่แน่ชัดฉันไม่ยอม ไในเมื่อว่าอย่างงั้นอาจาชิก็โอ้อ่าคุณอาจารย์ของเรานี่สอนง่ายๆหรือว่าสอน ย, กยกากๆฟังเอานะจะสอนเรื่องอะไรว่ะ ง, งั้นท่านก็สอนเรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราท่านว่าอย่างนี้ครับผก็ หมายความว่าท่านสัจจกะนิคนเน่ยเป็นผู้ที่มีความภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวเองคอบเรียกว่าไปในคนกลุ่มไหนก็คนกลุ่มนั้นก็แตกกันข้ด่าเข้าหน้ารพ<อ>ราะว่าเถามปัญหาแล้วเรียกว่าเงาเงาการแตกกันน่ะถ้าหากสัจจคนสัจจนิคนถามปัญหาแล้วไม่ได้แล้วก็ท่านก็ขู่เลยนะอยู่ไปที่ไหนก็ เขาก็ไม่ทนแล้วพ่อพ ก, กลัวนะมีความรู้มากเป็นนักปรัชญาไปที่ไหนเขาก็กลัวเขา ก, กลัวถูกถามใ น, นที่สุดก็เขาเลยแนะไปเนี่ยลูกศิษย์ของพระตถาคตเนี่ยเก่งในการตอบปัญหาโอ้อย่างงั้นก็เลยอย่าว่าแต่คนเลยฟังปัญหาฉันถามปัญหาอย่ว่าแต่คนหวั่นไหวเลยแม้ต้นเสาก็ยังหวั่นไหวเลยมันแกอดภุมิตัวเองเนะทีนี้ก็เลยเข้าไปถาม ถามพระอฉชิอาชารย์ที่เป็นใครนะเมื่อกี้เป็นอาจารย์พภาษาลิบุตรเหรอครับผมเขาเป็นอาจารย์กันตัวไหนผมยังไม่ได้ทราบเล ย, าาายเลนี่ยเขาบอกว่าเฉชิเถระนี่คู่เป็นอาจารย์ของพองนนะระษาลิบุตรบ่างนะในตำราออครับ<ข>อ๋<ข>อเขมีเรื่องว่าไงครับว่าก่อนที่จะไปผิดลูกศิษย์อาจารย์มีพอจาได้ไหมอืมผมก็จําไม่ได้นะออจำไม่ได้สงสัยไม่ได้จบปรเรียนมาเพราะตอนที่พระเฉชิตอนนั้นพระที่เจ้าประกาศศาสนาใช่ไหมส่งพระเถระเส่งพระเบญจวครีออกไป หลูกอ่าห้าลูกหกพระองค์ทีนี้มีอยู่องค์หนึ่งที่ท่านอาจารยชีเนี่ยแยกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไหมใช่ไหมจำได้ไหมอ๋อเนไจำได้ไหมแยกไปแล้วเป็นยังไงครับองค์พ่อครับเอาคงถามท่านนะท่านเป็นคนตอบอ่ะท่านย้อนถามมุขคืนไม่ได้เลนึ้เออนื้อไม่ออกครับผมเออจำไม่ได้ก็หมายความพ่อแยกออกไปในขนาดนั้นนะศาสนาพุทธิเจ้ากำลังประกาศครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกปรากฏว่าพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยคุ้นแต่ศาสดามหาวิระลูกศิษย์ของมหาวิระแต่ว่าเช้าวันนั้นน่ะพระสาริบุตรชื่อเดิมท่านชื่ออะไรกโกโกนิตะอุปติสะใช่อุ <พบ S 1> ปติสะคนหนุ่มได้เห็นพระอาชาชีเดินจุก ม, มเดินบิดาบาสนิ่งสงบหน้าเรื่มใสนะก็ไม่วอกแวกไม่ใส่ซ้ายสายขวาไม่ าคุยญาติโยมอะไรก็สำรวจมาเรื่องต่างก็รู้สึกเลื่อมใสเอ้พระองบนิปนักสมณะรูปนี้แปลกไม่เหมือนนักบวชทั่วไปนักบวชทั่วไปแล้วก็เหมือนนักขอทานธรรมดานี่แหละไม่น่าเลื่อมใสแต่องค์นี้เดินสำรวมไม่ได้สนใจใครไม่ได้ขอใครเลยนะก็เลยติดตามไปห่างๆว่าจะไปถามว่าท่านเป็นนักบวชมาจากสำนักใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านรู้ทําอะไรจะไปถามแบบนี้นะก็เลยตามไปห่างๆ แต่ตามไปก็ท่านก็บิณทัศบาทอยู่จะไปถามตรงนั้นก็ไม่เข้าท่าเพราะว่ากำลังบินทับาทอยู่ก็เลยตามไปห่างๆพอท่านบินทับาทเสร็จแล้วได้เข้ามาท่านก็มานั่งฉันได้ต้นไม้ไม่ใช่มานั่งฉันในวัดมันเดียวนสมัยก่อนพอบิณทบาทได้เสร็จก็ไปเจอที่ไหนมองๆก็นั่งฉันตรงนั้นเลยว่งั้นเถอะพอท่านฉันเสร็จท่านอุปฏิศาสตร์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภาษาธี่บุตรนะถ้าบวชแล้วนี่จะอีกชื่อหนึ่งอยากจะมาเนี่ย ถ้ายังไม่ได้บวชนะเขาชื่อคุณดิเรกนี่นะพอบวชแล้วท่านไม่เรียกว่าคุณดีเรกเป็นพระพุทธยานันทพิขุได้ชื่อใหม่ภิษาบาลี น, นี่นะนี้เหมือนกันท่านาภาษาลิบุตรยังไม่ได้บวชเขาเรียกอุปติสสะพอบวชแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าสารีบุตรเพราะอะไรพ่อเป็นบุตรของนางสาลีแม่ท่านชื่อนางสารีอุปติสสะแม่ท่านเขาก็เลยเอาตามชื่อของสกุลว่าเป็นบุตรนางสารี ว, ว่าภาษาลิบุตรนะเสร็จแล้วก็เข้าไปหาอุปติสสะเข้าไปหาถามว่าพุทธเจ้า มาจากสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านสอนทำอะไรพระอาจ ช, ชีก็บอกโอ้บาสบุกเราเนี่นะเพิ่งบวชใหม่เพางั้นคงจะไปสอนทำอะไรลึกซึ้งแต่ท่านไม่ได้ดอกอท่านพระอุปติสารก็บอกโอ้ไม่เป็นไรท่าน ท่านพูดช่อยสั้นสั้นก็ได้สอนว่าไงมาจากสำนักไหนโอเคฉัพูดสั้นสั้นให้ฟังก็ได้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรว่าศาสด า, า, าของเราชื่อว่าสมณะอาสัตยะอาสมณะโลออโอตมะแล้วก็มาจากสาตยยะวงวงงา่างถ้าท่านสอนถ้ า, าตรัสรู้เมื่อไม่นานมั้เองท่านสอนชั้นว่ า, าว่าสิ่งทัางหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุ เราจะดับโดยจะทําให้เกิดสิ่งนั้นก็ดับที่เหตุท่านสอนแต่แค่นี้แหละว่า ง, งั้นปรากฏ ว, ว่าพระอาชชิสอนแค่นี้นะครับอุบฤษิกาก็ได้ดงตาเห็นทำครั บ, รบและตากนั้นก็ระนับถือกันเป็นครูบาอาจารย์กันมาน ะ, ะปรากฏ ว, ว่าพระสารีบุตรนี่หลังจากนั้นก็ติดตามท่านมหาพุทธเจ้าได้ออกบวชจนได้บรรลุธรรมได้เข้าโบสถแล้วนะครับทีนี้เมื่อสัจจการนิคนไปพบกับอชาชชิ พระอา ช, าชออถามพระอา ช, าชีว่างไงนะเมื่อกี้ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วท่านตอบว่างไงท่านก็ตอบว่าสอนเรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราขันห้านี่มีอะไรบ้างครับก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแต่ว่ามีอยู่ว่ามหาวิระนี่ท่านเป็นคนแบบมองมุมกับ ท่านบอกว่าัาจการนิค น, นี่มีความเห็นเป็นตรงกันข้ามเลยว่าอ้าวทำไมต้องอจึงประกาศประกาศจะเอาชนะพุทธเจ้าด้วยวาทะเขาก็พร้อมด้วยสิทธิ์ซึ่งมีมีลูกสิษ์เป็นรัชวีเนี่ยประมาณห้าร้อยคนก็จึงเข้าไปไปหาพุทธเจ้าอยู่ที่ป่ามหาวัน อ๋อเข้าไปก็ไปถามเรื่องนี้แหละครับเรื่องขันห้าอ๋อครับผมเขเรียกว่าขันเงินขันทองขันทองขันอะไรไม่ใช่งั้นขันห้าแบบนั้นนะอ๋อไม่ใช่เพราะกลัขันห้านี่รูปขันเวทนาขันครับสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทําไมจึงเรียกเป็นขันน่ะทําไมไม่เรียกว่าเป็นอันเป็นสิ่งเป็นอันนี้ไปทําไมเรียกเป็นขันก็เป็นเป็นเครื่อง เป็นเครื่องอยู่เป็นหมวดหมู่เป็นก kind of ลุ่มกองอ๋อขันนี้แปลว่ากลุ่มกลุ่มเป็นกองตินกลุ่มอย่าก็รูปกลุ่มของรูปนี่นะกลุ่มของเวทนาเอาไปเป็นกลุ่มร mm. ูปมันมีกี่กลุ่มเหรอครับก็มีมีรูปก็มีกลุ่มของรูปกลุ่มของรูปก็มีมหาพุทธรูปครับกับอะไรเวชัยอุบัยรูปครับมหาพุทธรูปก็มีอะไรวะาง ธ<ท>าตุด <legislature> ินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟครัอันนี้ฝ well uh, ่ายในส่วนที่เป็นเป็นรูปของกายนี่นะครับแล้วถ้ามหาอุป <elderly> ท <olmas ẫn S 1> ัยร <lineage> ูปเป็นรูปอะไรของนามอุปทัยรูปรูปอาศัยนะครับเรารูปตรงนี้เมื่อว่ารวมกันแล้วไม่ใช่ว่าเป็นรูปพิเศนะมันมีรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปพระรูปโยมรูปอะไรทั้งนั้นเขาเรียกว่าอุปทัยรูปรูปอาศัยนะครับมันพูดได้มันเคลื่อนไหวมันไหวได้มัน รู้ได้นี่เขาเรียกรูปอาศัยครับอ๋อแต่ถ้าหากว่าดินน้ํดโงไฟมาผสมกันเฉยๆนี่เขาเรียกว่ามหาปุถุรูปครับอ่อนี่เขาเรียกกองของรูปนะครับแล้วกองของเวทนามันมีอะไรบ้างมีกี่กองเวทนาเวทนาก็มีมีเรื่องของการเจ็บการตรวจกันที่มันเกิดขึ้นจาก อ, อาการของรูปนั้น ม, <สง S 2> มีกา ร, รมีสามกองว่างั้นเถอะครับมีกองอะไรบ้างสุขเวทนา มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์อ๋อมีสามกองนะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาแล้วก็มีทุกขก็มาสุขเวทนาเขาโยมพี่มลฟังลราตาหนืดแล้วตอนนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราพูดถึงเวทนากาลังเจ็ดประการนะกำลังอะไรนะกลังเจ็ประการกลังมีห้าเทนะกาลังไม่ถึงเจ็ดค่ะอะไรบ้างไชักตาราเลยตอนนี้ดึงตำรามาสู้อาจารย์เลยนะโยมพี่มลไม่ใช่ตัวตราโหมม มีอยู่สมมีอสามกองก็กองเวทนานี่นะอสุขเวทนาคือหมายความว่าอาการในนันน่งสบายกินสบายอยู่สบายนอนสบายนี่ก็เรียกว่ากองของสุขครับสุขเป็นกองกอ ง, องนะครับมีโดยละนั่งเราไม่สบายอึดอาดอูฟังเทศไม่รู้เรื่องฉันอยากจะกลับเมื่อไรจะหมดเวลาสักทีเป็นทุกข์เลยใช่ไหมครับเป็นท<อ>ุกข<ๆ>์แบบนี้ฉันไปนอนดีกว่านี่เขาเรียกกองของทุกข์ใช่ไหมครับบางคนก็นั่งฟังเฉยๆจะเรียกว่าชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใช่แต่เขาดังฟังได้รู้เรื่องได้ อันนี้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วอะทุกข์ก็ไม่สุขใช่ไหมเป็นครับมีสามกองนะครับมีกองสุขกองทุกข์กองไม่สุขกองไม่ทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าเวทนาขันครับกองของกองของเวทนาที่กองของสัญญามีอะไรบ้างะสัญญาก็ความหมายรู้จําได้ความจําว่าเอออันนี้มันปวดอันนี้ไม่ปวดอันนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดอย่านี้เป็นเรื่อความจําได้หมายรู้ครับความจํานี่มีกี่ประเภทอ่ะก็มีการก็จําได้กับจำไม่ได้ครับ ไม่รู้ก็บมีหลงง่ายๆดีมีจําได้ก็จําไม่ได้นะเอาเรียกวมีมีสัญญาเขาเรียกว่าว่ามีอะไรมีมโนสัญญานะมีธรรมสัญญามีเจตนาสัญญามีอะไรสัญญาสัญญาความจําได้หมายรู้ทางตาความจําได้หมารู้ทางหูเรียกว่าโสตสัญญาใช่บผมความไม่ได้หมารู้ทางจมูกเรียกว่าคานาสัญญาครับ เรวจำได้<ห>ว่เอออันนี้มันรอรสเปรี้ยวรสหวานนี่จําได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าคารนาสัญญาเวลาได้กินกินหอมเอ๊ะมันกินปลานี่ไม่ใช่กินเนื้อเออันนี้มันกิ่นยมต้วยเนี่ไม่ใช่กิ่นยมสุวรรณนี่เอันนี้ไม่ใช่กิ่นของฉันนี่ไอประเภทที่จําได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอือะไรคารนาสัญญาครับอ่าเออไหนไหนโอ้โหอันนี้เรียกว่านักฟังพันแท้เลยเนี่ยนะมีการบันทึกอ่าหลักฐานมีอยงเจ็ดกำลังนะ อ่าขอบใจมากเดี๋ยวจะวิธิใชยให้ฟังมันกําลังทั้งเจ็ดเนี่ยแล้วสัญญาทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะสัญญามณะสัญญาการยสัญญานะเช่นเอ๊รู้สึกนี้มันร้อนนี่ว่าจําได้เอ๊รู้สึกนี้มันเย็นนี่ว่าจาได้เขาเรียกกายสัญญาใช่ไหมครับมอ่าโดความคิดอย่างนี้โอ้คิดอย่างนี้มันเป็นสุขคิดอย่างนี้เรามาน่าสัญญาครับสัญญานี่มีหกใช่ไหมมีหกอ่ามีหกสัญญานี่กองของสัญญาสังขารน่ะสังขารกองสังขารละขานมีกี่กอง มีมีสังขารขันก็มีมีลูกกับมีนามอ๋อก็มีรูกเรียกก็เราว่ากายยสังขารถ้าหาว่าทางจิตล่ะก็มีนามก็เรียกเป็นจิตยศสังขารจิตอ๋อจิตสังขารเนี่ยเขจะมีอ๋อแล้วก็สังขารอย่างอื่นบ้างอ่ะวิญญาณกายยสังขารจิตตศสังขารมโนูอ๋อมนสังขารอันนี้เขาว่าสังขารก็เป็นกองกอง สังขารและวิญญาณมีกี่กองกายวิญญาณกับมโนตั้งแต่จักรวิญญาณจักรโสตขานะคิวหาโสตวิญญาณคานะสมมติว่าตาวิญญาณเนี่ยฉันเห็นมีสีคุณโจเนี่ยใส่สีอะไรอ๋อล้วาเป็นสีเหลืองล้วอเป็นสีเหลืองนี่เป็นจักรวิญญาณใช่ไหมครับตอนนี้ยินเสียงแว่วๆข้างหลังไอ้เสียงไข่ยังไม่เห็นหน้าเลยนะฟังเสียงไม่จําได้ว่าเสียงแม่ชีสุรางเป็นคานะอันนี้เป็นโสตะ โส ต, ตักระวิญญาณใช่ไหมแล้วก็อพอกินอะไรเข้าไปเรถมร ก, กอรอร่อยอย่างนี้รถอย่างนี้นะทีนี้พอไปกินกาแฟรถกาแฟทําไมไม่เหมืมมกกอนรถวิญญาณพอถามว่รถกาแฟไปยังไงต่างจากรถไอ้มร ก, กอรอย่างไงนี่เป็นชิวหาอ่านะเป็นชิวหาวิญญาณเห็นไหมอันนี้กองๆนิดก็เรื่กงวิญญาณขั น, นละเอียดเขาเขาสอนพุทธศาสนาละเอียดนะละเอียดมากเพราะนั้น แต่ว่าไอ้ความละเอียดเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติไม่ได้ฝึกปัญญามาเนี่ยเราก็ลวกไปเลยว่าเป็นเราสอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นเป็นของเราใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรื่องมันดําเนินต่อไปอยังไงฮะถ้เมื่อเป็นอย่างนั้นเขาว่าถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นทางรูปทางเวทนาทางสัญญาทางสัญญงขารทางวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือไม่เที่ยง อย่างเงี้ยเขาถามกันตอบกันใมเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ใดถามใครถามสันต่คนถามใครถามพุทธเจ้าอ๋อสันิคนเรียกพาลูกศิษย์ถึง5้าคนเนี่ยหมายความว่าจะไปต้ววาตีกับพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้าให้ได้อายเลยว่างั้นเถอะครับผมและเมื่อถามพุทธเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เออถามพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงใช่ครับผมแล้วุทญญาต์ตอบว่าไงพุทธเจ้าก็ก็ถามตอบกลับขึ้นว่าดูก่อนอคคิเวสนะ ดังนั้นท่านอาคีเวทนะเนี่ยเป็นชื่อใหม่ของท่านสัจจะนิครนครับผมอ๋อโอเคอ่าก็อย่างนั้นในเมื่อเปงงั้นก็เลยว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงในเมว่านั้นก็ว่าไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอก็ก็เลยต่อว่าในเมื่ออย่างนั้นก็เลยต่อว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ พระเจ้าก็ถามต่อไปว่ า, าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนอยู่ควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราสัจการนิคนหรือว่าท่านก็เลยตอบว่ า, าข้อนั้นไม่ควรเลยพระสมณะโคดมผูทเจริญ แนวโน้มเองนั่นก็ถามตอบกันไปขอตอบกันไปตามประสบการณ์ของท่านสุวรรณเก็บโรมสิกวลเห็นไหมว่าไอ้ขันห้านมันเที่ยงไม่เที่ยงเป็นยังไงมันเป็นภาษาพูดเฉยเลยความจริงมันเป็นยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับในช่วงที่มันเข้าไปนั้นที่พูดมานี้มันเป็นเป็นเรื่องของภาษาภาษาปริยัติก็มาบอกว่าเออมันเป็นตําราแต่การเป็นตําราก็มันก็มีแผนที่ในการเดินทาง เมื่อเข้าไปสู่การเข้าเก็บอารมจริงๆคําว่าลูกผมก็เข้าใจเองว่าลูกคือลูกกายนี่แหละชีวิตของคนเราเกิดมาก็มีหนึ่งกายสองใจมีลูกมีนามในในอย่างนี้ไม่เอามากเมื่อเอาลูกเข้าไปฝึกหัดก็คือฝึกหัดนาวฝึกหัดใจเข้าไปแล้วก็ไปเห็นอาการของลูกที่มันเจ็บมันปวดมันเกิดเวทนามีสัญญามีความคิดมีการปรุงแต่ง รับรู้ทางการเห็นการได้ยินในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันก็ส่งผลมาถึงกันห้าว่าโอ้มันเป็นทุกข์นี่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทุกข์อย่างปวดแสงปวดขานี่มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราทนอยู่ได้เราก็ทนทนไม่ได้ก็เปลี่ยนมันไปทุกข์เห็นด่านกายก็เปลี่ยนออกไปในเมื่อเป็นที่นั้นก็บําบัดรักษาเงินด้วยการลุกเดนินแล้วก็พลิกด้านซ้ายด้านขวา คือเปลี่ยนให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นจริงนั่นแหละมันเป็นครูสอนเราเพราะว่าการที่เราเรียนรู้จากการจําการอ่านก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เมื่อลงมือปฏิบัติมันจะเห็นของจริงมันจะได้พิสูจน์ว่าเออมันเป็นแบบนี้จริงๆริงอาการที่ผู้ได้เจ้าตรัสไปมันเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นถึงจะเห็นผู้ใดเห็นทำ ผู้นั้นถึงคิดว่าเห็นเราแต่หาคตรพุทธเจ้าก็บอกไว้ตรงๆขันห้าที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองที่มันตากรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในสี่วันนี่โอ้โมงก็ทุกงบทุกเอไอขันห้านี้เห็นทีละขันเลยเห็นทีเดียวทั้งหมดครับมันก็เกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดขึ้นไปแล้วก็ในเมื่อนันก็แก้เป็ น, นอย่างไงไม่ผมถามว่ามันเห็นทีละขันเลยเห็นทีเดียวทั้งหมดเห็นทั้งทั้งหมดทั้ง เกิดขึ้นพอมันเกิดปุ๊บเราก็พยายามดูดูอาการที่มันเกิดขึ้นญาติโยมที่ยังไม่ได้ปฏิบัตนินีสามารถจะเห็นได้ไหมก็เห็นแบบเห็นแต่ว่าเห็นไม่ได้เห็นแบบลงลึกเห็นแบบความเคยชินเห็นแบบไม่ได้ไม่ได้เฝ้าดูไม่ได้ละเอียดลงไปแต่ว่าในเมื่อเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติลงไปมันจะเกิดความแยกขายเกิดการยังรู้เกิดการอย่างปวดขาเนี่ยถ้าเ่า่งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ปวดมันก็เปลี่ยนป๊อปเปลี่ยนป๊อเปลี่ยนกับควองเคยชินเปลี่ยนกับยีบที่มันตามใจก็ได<อ>้เวลาเราปวดขึ้นมาคิดว่าเรานี่ปวดเนี้ยนะก็ไปคิดว่าไอ้ความปวดนี่เป็นเราครับที่เขาเรียกว่าไปเห็นขันห้าว่าเป็นเราครับก็ได้เห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาพอกลับไปเห็นว่าขันห้าวเป็นเราอกูปวดเอายุมจ้อยนั่งสร้างขวัญสักชั่วโมงนึงสักชั่วโมงโอ้โหบิดไจบิดมาเพราะไปเห็นว่าความปวดนี่เป็นเราเนาะ แต่แล้วตอน้ความปวดนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ดูอ er no er. euh, ๋ออันนี้มันไม่ใช่เราเนี่เป็นอนิจจังไม่คีตังนั่งใหม่ๆหม่ไม่ปวดเลยใช่ไหมหรือนั่งมาห้านาทีสิบนาทีไม่คิดนั่งใหม่ๆไม่เบื่อเลยห้านาทีสิเบื่อแล้วไอ้ความเบื่อนี่ไปสุกแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นอะไรเราทุกข์เฮ้ยกูมานั่งเบื่อนั่งคิดทําไมห้านาทีสิบนาทีกูไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะเราเห็นว่าความเบื่อนี่เป็นเราใช่ไหม แตถ้าเราเห็นความเบื่อเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังนะก็ความเบื่อเกิดขึ้นเน อ, อันนี้ความเบื่อไม่ใช่เรานี่เราก็นั่งดูมันต่อไปแต่ความเบื่อนี่มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไหมเขาไม่อยู่ครับไม่อยู่อ่าสักเ ก, กินสักสองสามนาทีก็หายไปแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันไม่เที่ยงครับเพราะเป็นอนิจจังใช่ไหมแต่ที่มันตั้งอยู่ได้นานช่างเบื่อมันตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วมันไปไหนเลยพระไปเห็นว่าความเบื่อเป็นเป็นเรามันเลยเที่ยงครับ แต่หากเพื่อเห็นความเบื่อไม่ใช่เราเป็นนิจังลูกทัณฑามันก็จะไม่เบื่อใช่ไหมครับพ่อไม่เห็นว่าความเบื่อคือมันเป็นนิจจังสภาพตามความเป็นจริงเป็นจริงของมันน่ะมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับแต่บางคนบอกเกิดแล้วมันก็ดับแต่นี้มันฉันเบื่อมาถึงครึ่งชั่วโมงไม่เห็นมันดับเลยมันเขบอกว่าเบื่อเนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้มันเที่ยงอยู่มันเป็นไปได้เพราะอะไรก็เพราะมันเกิดความละเอียดความแยกขายเพราะเราไปยึดมันไว้ใช่ไหมครับอ่าหมดก็หินเนี่ยเขี้ยวเนี่ย ถามว่ามันหนักหรือไม่หนักบอกว่ามันหนักเอามันหนักเพราะเราถือมันไว้ใช่ไหมแต่ถ้าหาเราวางมันนั้นไปเมย์หนักไหมไม่หนักอ่าไม่หนักอ่าไม่มีอะไรเห็นไหมเพรเราไปถือมันแล้วมัเลยหนักใช่ไหมไอความเบื่อเนี่ยความจริงมันไม่เบื่อเราใช่ไหมที่มันเบื่อนานตั้งครึ่งชั่วโมงเพรเราถือไปครึ่งชั่วโมงแต่พอเราปล่อยวางใช่ไหมความเบื่อมีไหมไม่มีแต่นี่โอ้โหฉันนั่งตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะเสร็จจบสิฉจะกลับไปนอนที่ทีนี่อันนี้เขาเรียกว่าไปเห็นความเบื่อเป็นเราช่ม ถ้าหากเราฟังอ๋เสียงสดงว่เสียงลักษณะนี้คือความขันห้าไม่เที่ยงครับเพราะไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะไปยึดมันไว้อ่ะมันถึงเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยึดนี่ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับทีนี้เราเราถือไว้เนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงแขนมันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเพราะอะไรมันเกร็งอ่ะเลือดลมมันก็เกร็งเพราะอันนี้ไปถ่วงมันไว้ใช่ไหมมันก็เกิดสเตรสขึ้นมาไอ้เกิดสเตรสขึ้นมานิดๆเนี่ยมันก็เลยไปบีบอะไร เส้นประสาทมันก็ไปบีบกันนะบีบรัดตัวก็ทําให้เกิดเกร็งการเลือดลมพอมันเกร็งนิดหนึงเลือดลมเดินไม่สะดวกใช่ไหมมันก็เลยเกิดตึงขึงข้นมาลักษณะตึงนี้ก็คือหนักเป็นทุกข์เลยใช่ไหมเนื่องจากว่ามันไม่เที่ยงของแขนเนี่ยมันจะทำให้แขนนี่หนักหน่วงแล้เพราะอะไรเพราะตัวนี้เราไปยึดมันไว้อันนี้คือความเบื่อนะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นเป็นเรามันก็เลยทุกข์ตอนนั้นคนเลยไม่อดทนยังไง โดยเฉพาะคนอเมริกันไม่ค่าอดทนเท่าไหร่เพราะไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นของเราแต่เขาเขาไม่เขาวางไม่เป็นเพราะอะไรเจ้าพ่อเขาเขายังไม่เกิดปัญญายังไม่เจริญวิปั ส, สนาครับอ่าทีนี้ทําไมเขายังไม่เจริญวิปัสนาก็ขเขายังไม่รู้อ้าวเพราะขาดกําลังจิตปการพราะโยมวิมลบอกมาเมื่อกี้เนะี่ยครับกําลังจิตประการเอามานึกออกแล้วโยมวิมลกําลังของอินีย์ห้าบวกกับฮิริอตปะเป็นเจ็ด ออกมาเพิงรู้มกันในนี้นะเอออยู่มีมีหมวดนี้เก่งทีเดียวไปหามาจนไดเอามารู้จักแต่อินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมบวง h i l โ a r y อดปะเข้าไปอีกเป็นเจ็ด h i l แปลว่าอะไรความละอายละอายแก่ใจครับละอายแก่ใจที่เป็นกำลังเมือกันเหนือก็เป็นตรงไหนว่าน่าจะเป็นมากๆเพราะว่าถ้าคนไม่มีความละอายมันก็มันก็จะไปตามเรื่องตามราวไม่มีกําลังครับ ถ้าคนไม่มีความละอายแล้วแต่บาปมันจะดึงไปะนะครับแต่ถ้าคนมีความละอายมันก็ดึงตัวไว้ไม่ไปถูกถูกครับอ่าอยากจะกินก็กินอยากจะพูดก็พูดอยากจะไปก็ไว้ไม่มีฮีรีลแล้วครับแล้วโอตะปาแปลว่าอะไรก็ความเกรงกลัวกลัวต่อบาปกลัวก่อสิ่งที่ไม่ดีก็ก็ถ่วงถวงไว้ไอะไรที่เราไม่ไปนี่เพราะเรา ม, มีโอตะปาคือกลัวว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเออผมสมมติว่าผมอยากหิวข้าวเย็นนี่นะผมก็ไปกินเลยเนี่ย เอ้มันก็หิวอ่ะบางทีมันผิดอะไรอ่ะครับแล้วสัวไปมีหิริตอนไหนอ่ะผัขาดหิริตอนไหนก็ตามว่าที่มันหลงนะครับอ๋อไม่ใช่หลงไปตามความคิดคือหลงว่าหลงว่าความอยากนี่เป็นเราครับเราเลิอกไปตามความอยากครับแต่พอเราไปเห็นว่าไอ้ความอยากนี่มันเป็นไม่ใช่เราเนี่ยความอยากเป็นอะไรเป็นอนิจจังครับมันทำให้เราหิวใช่ไหมเป็นทุกข์เราเห็นโอ้ความอยากเป็นอย่างนี้เองแล้วไม่ไปตามมันหิริมันก็เกิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปตามมันหิริมันก็ขาด เพราะเราไม่มีกำลังอะไรไม่มีกำลังศรัทธาที่จะทำตามพระวินัย mm. ไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังสมาธิไม่มีกำลังปัญญาโอ้กำลังทั้งเจ็ดนี่สำคัญเพราะฉะนั้นขอบใจพิยมิมนนะนะได้กาลังอะไอย่างถ้าคนมีกำลังศรัทธานี่ทำอะไรก็สาเร็จนะครับแต่คนทำอะไรไม่มีศรัทธานี่ทำอะไรเมื่อวานนะทำปูอิดเนี่ยกับเด็กคนหนึ่งก็มาช่วยโหเขา มีร่างกายกำยำดีแต่บางทีเขาไม่มีกำลังพอฟันไหมสองสามผิวหมดกำลังแล้วว่างั้นออืเอาทำไมหมดกำลังตัวแค่เท่าช้างเงนี่ยไงบอกมันไม่มีกำลังเพราขาดกำลังศรัทธาพอนะครับโดยเฉพาะคนในอเมริกาภู้สังเกตนะเขาผมคนมีกําลังโอ้วนแต่ไม่มีไม่มีกําลังพอไปทํางานนี่ทําไม่รอดครับทําใช้ไปทํางานสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมดกำลังแล้วครับเพราะไม่มีกําลังศรัทธาเพราะฉะนั้นจะเพิ่มกำลังศรัทธายังไงครับออ การที่จะมีกํำลังของศรัทธาขึ้นมาได้นี่ก็ต้องมีความาแน่วแน่มีความมั่นใจว่ามีความเชื่อก็แล้วกันครับเชื่อว่าเออการยกมือสร้างจังหวะการเจริญสติการหลวงพ่อพาทํางานอย่างเนี้ยทําแล้วอมืมันก็ได้ทั้งกําลังกายกําลังใจขงพ่อม่ตรงไปอะไรทําด้วยด้วยปัญญาด้วยการที่เยบคายด้วยที่คิดว่าศรัทธ า, าคือเชื่อเถอะ ว่าทำท่านคงไม่หลงทางแน่นอนถ้าหลงทางคงไม่มีคนอเมริกาหลายรัฐหลายที่คนเมืองไทยหลายแหง่งที่เขายกมือสร้างจังหวะมีการเจริญสติสํานักปฏิบัติรธรรมแบบเพื่อนหน่อยคงไม่มีเกือบร้อยสํานักอย่างนี้ก็ก็ปลูกฝังให้กําลังใจของตนเองขึ้นมาศรัทธาคงไม่งมงายหรือว่านั่นก็ลงมือกระทําำซะก่อนในแบบนี้ครู้สึกของผมศรัทธ า, ามันมีสองแบบนะหนึ่งศรัทธาเพราะเขาให้ สองศรัทธาเพราะมันเกิดของเราเองอ๋อครับนะอันไหนดีฝ่าศรัทธาเกิดจากเราเองศรัทธาเกิดจากเราเองดวงดาวในในจักรวาลมีสองประเภทใช่ไหมเราเลิกกับเราเคราะห์ดาวเลิกคือดาวยังไง ต, นนตัวไหนแสงสว่างในองดาวเลิกคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองถ้าดาวเคราะห์ อ, อ่ะอาศัยคนอื่สนะสะท้อนมาเหมือนดวงจันทร์เนี่ยใช่ไหมดวงจันทร์นี่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะแต่เห็นว่าดวงจันทร์มีแสงเพราะว่าแสงสะท้อนจาก สาธิตอันนี้คนในโลกจะมีศรัทธาสองประเภทคนหนึ่งมีศรัทธาเพราะคนอื่นให้คอยให้กำลังใจด้ออให้กำลังใจเขน่อยสิให้กำลังที่มาวัดนี่เพราะหลวงพ่อให้กำลังใจเอางันะแต่สันที่จะเกิดสันศรัทธามาเองนี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะนเออมีนะบางคนบอกว่ามีศรัทธาไหมโยนสุวรรณยืนยัน <laughs> ยอมชวนกว่าสอบตกยืนย like I mean, I mean, ันว so anyway. so ่าฉันมีแน่ถึงหลวงพ่อไม่ลุ้นฉันเย่าจะมาด้วน่นะอันนี้เขาเรียกว่ามีมีกําลังในตัวเองอ่ไม่ใช่อาศัยกําลังคนอื่นให้นะแต่บางคนโอ้โหก็จะมาวัดในหลวงพ่อย้อแล้วย้ออีกได้บุญอย่างนั้นได้บุญอย่างนี้ถึงได้มานะอันนี้เขาเรียกอาศัยแสงสว่างจากคนอื่นนะอาศัยแสงกําลังจากคนอื่นเพราะนั้นศรัทธามีสองประเภทใช่ไหมครับศรัทธาศรัทธาสองอันนี้อันไหนดีกว่ากันครับก็ศรัทธาในส่วนที่ม เกสร้างสว่างจากตนเองศรัทธาจากที่มันเกิดจากศรัทธาเกิดจากกําลังแจ่มลัง่ใจตนเองอ๋อทีนี้ทําไมเรารู้ว่าไอ้ศรัทธาที่ท้อนสะท้อนจากผู้อื่นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันหายไปได้ทําไมเราจึงไม่ทําให้เกิดศรัทธาในตัวเองเหะครับเพราะอะไรเพราะมันมันยังไม่มีหรือว่ามันยังขาดอยู่มัยังขาดอยู่ครับนั่นดี่ผมถามว่าทําไมมันจึงขาดก็มันยังไม่มีพลังพอเต็มพร้อมอ๋อมันยังไม่ปลูกสร้างครับยังสมพูดว่าผมปลูกต้นไม้ ในวัดเองเนี่ยเวลามันเป็นผลแล้วผมจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ผมปลูกขึ้นเองใช่ไหมครัแต่ถ้าผมไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยเมื่อไหรผมอยากจะกินเนี่ยจะกินได้ทันทีไหมกินได้ทันทีถ้าดีมดผมไม่ยังไม่ไปซื้ออะ <laughs> ซื้อใส่ตู้เย็นซื้อใส่ตู้เย็นเอเดี <laughs> ย๋ยวพูดเพราะฉะนั้นกกถ้าหากว่าเราปลูกผักกินเองเนี่ยเหมือนที่ว่าเราศรัทธาที่เกิดขึ้นในตัวเองเราปลูกเองสร้างเองใช้ได้ตลอดวนเวลานะแต่ถ้าหากว่าไปยืมของคนอื่นมาผมว่าเมื่อไหรไม่มีตังก็ไม่ได้กินเนี่ยนะ แต่ถ้าเรามีในตัวเองถึงไม่มีตังเราก็ได้กินนะใช่ไหมอ่านี่เห็นไหมจะวุดถึงจะมีในตูเ้เย็นจะต้องมีตังไปซื้อเขานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ศรัทธานั้ น, น, นก็นกน เ, เลยเ <laughs> ต้องลดน้ออําขยันลดน้ําหน่อยนะเออดูนะนมือมากระทันเนี่ยโห ก, กินกันจนป่นนี้ยังไม่หมดเลยนะถ้าจะไปรอกันนะ ฮะอย่างท่านสุวรรณศรัทธาเกิดจากในตัวเองเนี่ยเราจะต้องอาศัยการปลูกฝังใช่ไหมครับ อ, อย่างสมมติว่าผมพาคนทำงานนะนะผมจะดูว่าคนคนนี้มีศรัทธาในตัวเองหรืออาศัยผม ผมจะดูคนที่อาศัยมีศรัทธาในตัวเองคนนั้นถือว่าเป็นคนมีบุญคือหมายว่าเขาขอนขวาเองทําเองไม่ต้องว่ า, าต้องทำอย่างนี้นะไม่ต้องลงมาเองทําเองเลยนี่เขาเรียกวคนนี้จะเจริญครับอเพราะอะไรเพราะมีศรัทธาในตัวเองแต่คนไหนเรวยใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอไม่ใช้ก็ไม่ทํานี่เขาเรียกว่าอาศัยกําลังจากคนอื่นคนนี้ก็เจริญยากหน่อยเพราะยังไม่มีนะดังนั้นเราจะต้องปลูกฝังที่นี่การปลูกฝังศรัทธาในหนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งต้องมีอะไร พุทธานุสติและลึกถึงพระทีเจ้าบ่อยๆบ่อยสองธรรมานุสติและลึกถึงพระธรรมบ่อยๆ่สสังขานุสติและลึกถึงพระสงฆ์บ่อยๆ่สีศีลานุสติและลึกถึงศีลบ่อยบ่อยห้าเทวตานุสติและลึกถึงเทวดาบ่อยบ่อยหกอุปสมานุสติและลึกถึงความสงบสุขบ่อยเขาให้ราลึกสิงสิงเหล่านี้บ่อยบ่อยแล้วมันจะเกิดกำลังแต่คนเราส่วนใหญ่ลึกสิงสิ่งเหล่านี้ไหมครับประจำวันนะ ก็ไม่ค่อยระลึอกไรเลปลึกๆอะไรอ่มันก็ระลึกไปนอกตัวมากกว่าว่าวันนี้จะได้เงินมาจากไหนเนาะจะไปเล่นที่ไหนเนาะอว่าวันนี้จะไรายได้จะเป็นยังไงเนอะนะจะคิดไปนอกไปเรื่อยๆนะไม่ได้ฝังฝังไม่ได้ทิเพราะนั่ น, นการที่เราเลึกๆสิ่งิ่งที่ดีๆขึ้นในใจนี่นเรียวกว่าสร้างศรัทธาแต่ถ้าเราเลึกสิ่งที่ไร้ายๆเข้ากับตัวเองนี่ขเขาเรียกว่าทําลายศรัทธาที่นี้อาจารย์สุวรรณในช่วงที่เก็บอ า, ารมณ์อยู่มีกําลังใจ ทำเองหรือว่าถูกพระสงฆ์ท่านดันขึ้นไปทําทําเองเอรู้ได้ไงว่าทําเองก็อยากแก่ทํายู่แล้วก็วมีความพอใจอใการที่จะทำแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าพระสงฆ์ตัดสินให้ไปทํำนี่คงจะทรมานมากอะเนาะก็ทรมาน<ะ>เา <c oughs> มื่อไหร่น้อยจะถึงสวันที่สิบสิบีฉันจะได้ออกเลยนะเร็วเพราะว่าเราไม่ได้เกิดจากกําลังตัวเองนะ<ะ>การที่เราเจริญสติอย่างที่ว่าเนี่ยมันทําให้เกิด ตัวสมาธิตัวปัญญาได้ยังไงครับที่ไปทําอยู่เนี่ยก็ทําให้มันต่อเนื่องในการทําต่อเนื่องเราก็ทําบ่อยๆในการทําก็มันก็มีอยู่ประสาทอยู่มากมายเหมือนกันอย่างเช่นความวง่วงความคิดปุ๊งซ่านความลาคาญความเหมือดนายทําไมไม่เป็นอย่างที่คิดเข้ามาทําไมโอ้ไม่น่าเข้าตอนแรกบอกว่าศรัทธ า, ายอยากจะเข้า แล้เมื่อไรจะจบ ก, ก็ ม, ม, กมีมันก็มีมาหลอกเราอยู่เรื่อยเหมือนกันในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ฝืนได้ได้ได้อาศัยว่าก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตศิศีลานุที่ที่พูดไปเมื่อกี้นี้แหละก็อาศัยตัวศรัทธาที่มันกเกิดจากกําลังของของความที่มันเกิดมีเองนั้นแหละในเมื่อมันเกิดมีเองอย่างที่ หลวงพ่เล่าไปเมื่อกี้นี่มันก็เลยพาให้มีพลังมีพละพอมีพลังมีพละมันก็มีกําลังในการต่อสู้กับอาการที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็สามารถผ่านมาได้ในสิบวันนี้นก็ไม่ก็ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเมื่อเป็นอย่างนั้นบางคนก็ฮ้องทําไมต้องอต้องกเก็บเงียบด้วยทําไมต้องปิดวาจาด้วยบางคนเนี่ยจะถามถ้าสมมติว่าลงมา ยังไงเห็นหนะาเอ่ยยมใต้เป็นยังไงสบายไหมเอ่ยขอขึ้นไปมันไม่ได้ใบยมใต้มันไม่ได้ขาดอยู่ตรงนี้มันเอาขึ้นไปคิดว่ า, า, มมากกน่าจะเท้าหมักคนนั้นได้เอ่ยหน้าคนนั้นลอยมาหน้าคนนี้ว่าคือมันยืยดยาวไปแบบนี้ท่านถึงว่าให้ปิดวาจาให้เข้าเก็บอารมณ์ให้อยู่กรรมฐานให้ให้อยู่กับฐานกายของฐานใจให้มากที่สุดนั่นเถอะนี่ก็เป็นในรูปลักษณะ น, นี้ครับอ๋อหมายความว่าถ้าหากกรามีสติรวมกายรวมใจเข้าอยู่ด้วยกันเนี่ย ให้ไม่ให้จิตใจของเราแส่สายไปรับอารมณ์ข้างนอกเนี่ยกำลังของสติมันจะเจริญใช่ไหมครับเพราะกําลังสัตหามันจะเจริญเพรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยรักษากายกับใจไม่ค่อได้อยู่ด้วยกันหรอป๊อะไรกระทบป๊อปกับไปกับสิ่งนั้นเลยครับทีนี้ไอการที่จะปลูกฝังให้สติหมายถาว่าถ้าสติเข้มแข็งตัวเดียวตัวอื่นเนี่ยมันจะกำลังมันจะดีหมดใช่ไหมครับก็ดีมันดีแต่ทีนี้เราจะปลูกฝังทําไมมันยากเหลือเกินมันมันก็ธรรมดาก็เป็นต้นไม้ก็เหมือนกับมี ลากแก้วถ้ามีเฉพาะลากขอยเฉยมันก็ลาบากแล้วเราต้องอาศัยกำลังตัวนี้ให้มากมากก็เหมือนกับถ้าเป็นนิ้วมือทำไมนิ้วนิ้วที่นิ้วโป้นิ้วชีนิ้วกลางทาไมมันยาวกว่าถ้ามันเสมอกันไปหมดมันก็คงไม่นั่นก็ต้องอาศัยให้มันยาวกว่าให้มันสมดุลซึ่งกันและกันถ้ามันเกิดความสมดุลต่อกันแล้วกันมันก็จะทางานร่วมกันได้สะดวก ข้องขึ้นอะไรแบบนี้เพราะนิ้วมือเนี่ยที่เขาบัญญัติไว้ห้านิ้วเนี่ยพราะพุทธเจ้าท่านเอานิ้วห้าห้านิ้วเนี่ยเป็นเป็นกำลังของสัตว์เป็นกาลังของอีซหใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าห้านิ้วนนิ้วไหนยาวที่สุดยมทวนนิ้วกลางท่านบอกว่านิ้วโป้นี่ให้มันใหญ่ได้สั้นคือสธาสตานี่ให้ใหญ่เอาไว้ แล้วก็วิริยะคือความเพียรเวลาทําอะไรต้องชี้ใช่ไหมชี้ให้ทำนั่นฉะนี้คือความเพื่อเปรียบเส ม, มือนความเพียรเดี๋ยวนี้กลางท่านเปรียบเส ม, มือนสติสติต้องยาวกว่าเพื่อนสติที่ให้มากกว่าเพื่อนเอาไว้ก่อนคือยาวเนี่ยสติอยู่ตรงกลางแล้วก็สมาธิให้สั้นมานิดหนึ่งแล้วก็ปัญญาให้น้อยไว้หน่อยเพราะสติให้เยอะๆถ้าปัญญามากๆเลยลำบากนะหาเรื่องทําอยู่เรื่อยหาเรื่องพูดอยู่เรื่อยหาเรื่องคิดเยอะเดือยร้อนนะเพราะนั้นต้องมีสติเพราะนั้นท่านจึงเอานิ้วทั้ง5เปรียบเทียบเหมือนกันอีซีห ผู้ดีเ้าท่านฉลาดมากนะบอกให้ให้มีอัศวสติที่มากกว่าเพื่อนศรัทธาเนี่ยไม่ต้องมากแต่ต้องใหญ่เอาไว้อต้องใหญ่มาศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาถ้าหากว่าไปทํามือเด็กกับมือผู้ใหญ่นี่เหมือนกันไหมครับก็เหมือนแต่ว่ามันก็มีความต่างกันที่มันเล็กกับมันใหญ่แต่ว่าครับ อ่ามันมีกําลังกับไม่มีกําลังเล็กใหญ่ไม่จําเป็นแต่จะให้เด็กไปยกก้อียตัวเนี้ยอืเด็กสามขวบมันยกไม่ไหวใช่แต่ถ้าให้ผู้ใหญ่ไปยกเฉยยกเฉยเฉยท้าทั้งที่ีห้านิ้วเหมือนกันนะเป็นมือเป็นอะไรเหมือนกันนะเหมือนกันถ้าศรัทธาวิญญาสติสมริตปัญญาถามว่ามีเหมือนกันทุกคนมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่ากําลังเท่ากันไหมไม่เท่าครับบางคนเนี่ยนั่งสร้างจังหวะได้ทั้งวันแต่บางคนแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ไหวแล้วกําลังมันไม่พอ แต่บางคนยังท่านสุวรรณนั่งทำสิบวันสบายเฉยเลยเแต่โยมสุวรรณท็สิบนาทีไี่ไหวหรือเปล่า ไ, ไม่ไหว <laughs> <laughs> นี่คือกําลังอีซีมันต่างกับตรงนี้บางคนนั่งสร้างัขวะได้สักชั่วโมงบางคนนั่งเื่อครึชั่วโมงต่ออย่ากอีสามสี่ปนั่งหลับตาเฉยเลยเพราะกําลังเขาไม่พอกําลังศรัทธาไม่พอเพราะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้น ec ห้าเนี่ยเรามองข้ามมาได้ครานี้เขาว่ากําลังอของสตินะกําลังของวิริยะนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีวิริยะสูงขยนันก็อย่างวันแรกที่ผมเข้าวันที่สองของพ่อขึ้นไตหาผมไปเดินเดินเดินหลวงพ่อว่าเดินมากมันไม่ดีมันไม่เห็นชัดตางความเป็นจริงต้องนั่งต้องนั่งนั่งนั้นต้องสองชัวง่วโมงสามชั่วโมงขึ้นไป ผมก็ลองดูสิมันจะมีได้วิริยะความภาคเพียรในการเฝ้าดูเวท น, นาที่มันเกิดขึ้นมันจะทําได้ไหมถ้าเกิดว่ามันมันก็สามารถทําได้ก็แสดงว่าเออวิริยะความภาคเพียรของเรามีพออะไรแบบนี้ครับก็วิริยะเนี่ยมันตรงเขาว่าบีระนะครับบีระบีระแปลว่าอะไร ไม่ลืมเท่ากล้ว่ากล้าหันวีระแปลอุตสาห์แปลว่าอะไรอดทนแปลว่าขยันขยันขันติอดทนวิริยะอุตสาห์พวกเนี้ยเป็นคํากลุ่มเดียวกันแต่ทําหน้าที่คนละอย่างวีระเนี่มาจากคําว่าวิริยะมาจากคําว่าวีระวีระแปลว่ากล้าหานเพราะฉะนั้นคนที่มีวิริยะเนี่เป็นคนกล้าหานตตดสินใจทําอะไรแล้วทําจริงจังเรียกว่าคนมีวีระ คือมีวิริยะแต่อุตสาหานี่แปลว่าขยันเฉยเฉยแต่อาจจะโง่ก็ได้ขยันแบบโง่โง่แต่ถ้าหากว่าคนที่มีวีแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉยขยันแบบกล้าหาะและขยันแบบฉลาดอืเพราะนั้นคนมีวิริยะกับอุตสาหานี่ต่างกันนะอุตสหาหะก็เหมือนชาวบ้านทํางานทั้งปีทั้งชาติทําตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรวยเลยออืมีเขามีอุตสหาหะแต่ว่าไม่มีวีแล้ว ค่ะปัญญาไหมครับอเออในวิละนี่มันจะมีปัญญาด้วยคนมีปัญญานี่คือคนอาจหานคนกล้าหารคนกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะคนที่มีวิริยะนี่นะแต่ถ้าคนมีอุตสาหานี่ทําไปเรื่อยๆอทําทไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรแต่ถ้าชำให้ดีแล้วมีควบคู่กันทสองอย่างมีทั้งวิริยะและมีทั้งอุตสาหะแล้นเวลาไปใช้โอ้ให้มีวิริยะอุสาหะบางสิ่งใช่ไหมเอาไปใช้ควบกันคือมีความกล้าหารได้ความขยันด้วยบางคนกล้าตัดสินใจ แต่ว่าจะทำจริงๆทาไม่รอดอ mm hmm. เพราะไม่มีอุตสาหะแต่บางคนมีอุตสาหะจริงๆแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรแล้วแต่เจ้านายจะใช้ถ้ mm hmm. เจ้านายใช้เราทําไปอย่างเข้มเลยแต่ว่าจะคิดทางเองทําเองตัดสินใจเองไม่ได้ตรงนี้เขาเรามีอุตสาหะแต่ว่าไม่มีวิริยะอิ mm hmm. นทร์ไม่ไม่ใช่ไม่มีปัญญา อ๋อในวิทยามันมีปัญญาอยู่ด้วยไงอยู่ในกลุ่มของปัญญาด้วยเพราะนั้นในอีซีห้ามันจึงไม่มีคําว่าอุตสาหะเพราะคําว่าวิทยามันมีปัญญาอยู่แล้วคุมท้ายอยู่แล้วบนะแต่ว่าในอีซีห้าเนี่ยมันมีปัญญาคุมอยู่ทุกตัวขรับมายถึงศรัทธาก็ต้องมีปัญญาคุมวิทยาก็ต้องมีปัญญาคุมสติก็ต้องมีปัญญาคุมสมาธิก็มีปัญญาคุมปัญญา คุมทั้งหมดเพราะเราจะสังเกตได้ว่าธรรมะของพุทธเจ้าตัวไหนสําคัญถ้าจะเรียงไว้ท้ายไอตัวข้างท้ายเนี่ยคือเป็นตัวคัดท้ายไอข้างหน้าจะไปทางไหนมันเรือเนี่ยเรือนี้สําคัญอยู่ที่ไหนไหางเสือใช่ไหมไเพราะนั้นธรรมะที่เป็นหางเสือคือปัญญาถ้าจะเอาไว้คุมท้ายเสม อ, อมถ้าหากว่าไ ม, ไม่มีปัญญาคุมท้ายเราก็มีสตาสธาแบบงมงายมีความกล้าหาญกล้าหาญแบบบ้าบินมีความสติกสัสติแบบคำหาม มีสมาธิกับสมาธิแบบหลงลืมนี่เขาเรียกว่าขาดปัญญาโดเอวมันควอยให้หมดเลยเพราะนั้นอนอียีหา้าท่านจะมีปัญญาคุมท่าย<อ>นะครับเอาทีนี้มาต่อเรื่องสัจจการมีคน<อ> <laughs> ผมถามหลวพ่อเว<อ>ล า, ท, าทำงานผลงพ่อทำไมชอบบอกผมว่ามีปัญญาหน่อยสิอะไรเนี้ยอ๋อหมายความว่าเราต้องมีสติอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มปัญญาอีกหน่อย เอามามกให่ใช้ก็ใช้ปัญญาอีกนิดเดียวนะ <c oughs> คือไม่ต้องใช้ปัญญามากคือบางทีเรื่องปัญญานี่สอนกันไม่ได้ mm hmm. แต่สอนสติได้บางทีปัญญานี่เป็ น, ปนผลใช่ไหมแต่สติมันเป็นเหตุเพราะฉะนั้นอยากจะสอนให้คนมีปัญญาต้องสอนให้เขาเจริญสติเมื mm ่อ hmm. เขาเจริญสติไปมากๆแล้วปัญญามันเกิดแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เจริญสตินี่ไปบอกให้เขามีปัญญาเนี่ยมันมียากเหมือนกันเพราะมันไม่มีเหตุผลจึงไม่เกิดนะ ทีนี้ตัวสัจจการนิคนเนี่ยพอไปถามพุทธิย่าพุทธิย่าท่านตอบว่าไงครับเมื่อกี้ก็เรื่องของความเที่ยงความไม่เที่ยงในเมื่ออถามมาว่าเหมือนพุทธเจ้าถามว่าดูกอ่อนขีเวสน ะ, ะผู้ใดคิดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วต่ำเกินทุกข์แล้วยังเห็นว่าทุกนั้นเป็นของเรามีอยู่หรื อ, อก็ สแกนนีคนก็แต่ว่าไม่มีเลยพระโคดมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอัิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล้อมเกินทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรื อ, อในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ตอบว่ามีใช่เลยพระโคดมผู้จเจริญ พระเจ้าเลยว่าดูก่อักคิเวสนะบรุษต้องการแก่นไม้ถือเอามือต้องการก่นไม้ถือเอาถือเอามีดคมไปสู่ป่าเข้าไปตัดฟันต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งเขาก็ไม่พบแม้แต่กระพี้และกันชั้นใดนะครับในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เลยบอกว่าดูกรอักขิเวสนะท่านอักิท่าน อันเราสักไยไล่เลียงก็ว่างเปล่าในถ้อยคำของตนเองหรือเหมือนต้นกล้วยฉันนั้นท่าน <c oughs> กล่าววาจาในที่ชุมชนเมืองเวสาลีว่าไม่มีสมณะพราหมณ์ขนาจารย์หรือแม้แต่พระอรหันต์ตัสมาสมุติเจ้าองค์ใดที่โต้อตอบ ก, กับท่านได้โดยไม่เกิดอาการประมาะไม่หวั่นไหว ไม่มีเหงื่ อ, อไรจากรักแร้แม้แต่คนเดียวดูกว่าคิเวสนะบัดนี้หยาดเดียวของท่านก็หยดจดากหา้าผากลงยังผ้าห่มแล้วแตัวตที่พื้นที่เขา้ า, า, เขาใจว่ายังไงที่อ่านนี่เข้าใจว่ายังไงก็ในเมื่อไปถามปัญหาว่าความเที่ยงความไม่เที่ยงในเมื่อเป็นอย่างนั้นอาถามจนกระทั่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจนปัญญาแล้วก็ยก สัญหาว่าเออในการที่คุณว่าคุณมีปัญญามากๆคุณง่าคุณมี น, นันนี้มากๆนี้ที่สุดเราก็เหมือนกับคุณเข้าไปในป่าแล้วไปเห็นต้นกล้วยบอกว่าจะเป็นต้นกล้วยนี้เป็นแก่นสารมีแก่นแต่ว่าในเมื่อไปตัดแล้วก็ต้นกล้วย ก, ก็ไม่มีแก่นอ๋อพระุทธเจ้าทักทวงคือพอสัิกะที่คุณไปถามพระุทธเจ้าที่ท่านสอนบอกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไหนใช่ไหม เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าจริงเราสอนอย่างนั้นสัจญาณิคนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้สัจญาณิคนก็ทวงพระพุทธเจ้ายมชุวรนเข้าใจไม่ไหนที่อ๋อยังไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจนะคือสัจญาณิคนไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยท่านสอนบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงจริงไหมถามงี Dear, <S <S ้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงฉันสอนจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อ๋อสันนิกหัอว่าถ้าอย่างนั้นธรรมดาว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายเนี่ยมันจะเจริญเพราะความอุดมส ม, สมบูรณ์ของดินไม่ใช่หรือนนักปาชญ์เขาถามกันนะว่าท่านจะถามบอกว่าตามปกติเนี่ยขันตั้งห้ามันจะเจริญก็เพราะว่าการที่เข้าไปพราะมีอณิจังทุกขังหน้าตาไม่ใช่หรืออย่างนั้นนะนะถ้าไม่มีอนิจังทุกขังหน้าตาขันห้ามันเจริญได้ยังไงว่างั้น อ่านี่เขาจะถามนี่แต่ท่านเจ้าบอกพูริเจ้าบอกว่าสดงนี่คนถ้าสมมุติว่าในแว่นแค้นของเจ้าลิชวีก็ดีพระเจ้าพิพิสารก็ดีถ้าหากว่ามีโคไดคนหนึ่งทําผิดเนี่ยเขาจะลงโทษไหมถ้าเขาลงโทษเขาในประเทศเขาให้ออกจากรัฐเนี่ยคนนั้นจะเป็นยังไงคนนั้นก็ต้องออกเอาทําไมเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารมีทำไมไม่บอกตัวเองว่าไม่ไปล่ะทําไมต้องไปล่ะทําไมไม่สั่งตัวเองล่ะ โอ้โหจุดนี้แหละสติคนนี้ตกใจเลยเออจริงเรากำหนดตัวไม่ได้ถ้าเขาสั่งให้ไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปสียอย่างก็ไม่เกิดเรื่ขึ้นใช่ไหมแต่ทําไมต้องไปอ่ะนี่แสดงว่าแกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมทำไมก็ต้องไปแกก็กลัวตายอ่ะตรงนี้เสร็จเลยเพราะทําถ้ารูกพิทนาสัญญาสังขาริญยาเป็นตัวตนเราทำไมไม่สั่งตัวเองว่าไม่ให้ไปอ่ะนื่องาเขาสั่งไปฆ่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปเสียกำหมดเรื่องแต่ทาไมต้องไปด้วยด่ะ สันนิคนนี่งงเลยเข้าใจไหมยังด้วยเข้าใจว่าอ่าตัวนี้มันไม่แยงนะคือสัตวิคนถามพุทธเจ้าบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญันไม่เที่ยงใช่ไหมใช่พระุทธเจ้าบอกว่าใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรสาคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าพืชพันธุ์ไรยอาหารทั้งหลายเนี่ยมันจะเจริญงอกงามก็เพราะอาศัยดินดีน้ําดีปุ๋ยดีไม่เยอะใช่แต่ว่า คือท่านยาจะบอกว่าการที่ขันทั้งห้านเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไม่ได้ก็เพราะอาศัยอนิจจังทุกข์ฐานะตาท่านจะย้อนพูทธิเจ้าแบบนั้นนะนะถ้า่างนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังนานะตาเนี่ยไอ้ขันห้ามันจะเจริญได้ยังไงนี่อยากจะถามย้อนพุทเจ้าแบบนี้แต่นนพุทิเจ้า บ, บอกว่าอา้าวขันห้ามันไม่ใช่ตัวต้นมันเจริญไปไม่ได้อา่าเจริญไปไม่ได้ไงก็เพราะว่าอย่างมู่พระเจ้าวิสารก็ดีจเจ้าประเศที่คดสุสุนก็ดีสั่งลงโทษใครสั่งในประเทศไคบุคคล น, นี้ต้องทําตามไหมต้องทำตามอันนี้ถามยอะนนี่ค อ่าทำไมต้องทําตามอ่ะก็เพราะอันนั้นเป็นกฎหมายปราะฉันใดก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันกฎหมายของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่คือกฎหมายของคือกฎสัจธรรมของขันห้ามันต้องเป็นไปนตามมิจฉาทุกข์องอนัตตาทําไมต้องทําตามเพราะเราสั่งตัวเองไม่ได้พอเขาสั่งให้ไปเขาสั่งแต่ให้ฆ่าเนี่ต้องโดนฆ่าทำไมไม่ไม่ฝืนล่ะฝืนไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นกฎหมาย แล้วรู้ไปทังนัสัญญาสังขารธรรมไม่ฝืนนิจังทุขังนะฝืนไม่ได้เพราะนิจังทุขังว่าเป็นกฎของธรรมชาติพอเจอเข้าวลงนี้สัจนิคุนี่เงื้อแตกเลยเงื่อแตกเ ง, งื้อตกเลยผู้ริช้าก็เลยว่าเนี่ยสัจณิค น, นเธอเนี่ยไปสําคัญมั่นหมายผิดว่าตัวเองมีความรู้เยอะแต่ความจริงความรู้เธอเปรียบเสมือนดูหลุษเนี่ยต้องการไม้ที่มีแก่นแต่ดันไปตัดเอาต้นกล้วยมา อดทนกล้วยมาหาแก่นเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเธอมีความรู้เยอะก็จริงแต่ว่าหาความรู้ที่เป็นแก่นไม่เจอพอเจอเข้าตูงนี้ตาโก้และสานิโก้เนี่ ว, นวหูยอมเลยยอมแต่แรกจะไม่ยอมต่อบพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอตอบมาสิถามันไม่ตอบตามปกติเราถามคนไหนคนนั้นไม่ตอบคนนั้นต้องศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงนะว่างั้นแกกลัวก็เลย ต, อ, ตอบเรายอมว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงจริงนี่คือยุงเป้วยังมองออกไหมว่าเขาาตอบเขาถามเขาแพ้เขาชนะกันยังไง ย, ยังไม่เก็ตนะตัวนี้ต้องมาฟังบ่อยๆที <laughs> นี้เป็นนักประหลาดสูงสุดในสมัยนั้นเขาถามกันยุ่ด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายนะแต่หลวงพ่อจะพยายามทวนบ่อยบ่อยเอาให้เข้าใจง่ายๆคือถามว่าการที่ขันห้าของเราเนี่ยมันจะเจริญเนี่ยกตามหลักของสัจจนิกรเชื่อว่ามันต้องอาศัยนิจังทุกขังหน้าตาโลกเนี่ยถ้าไม่มีนิจังทุกขงังแต่มันจะเจริญไม่ได้นะไม่ได้ที่มันเจริญเนี่ยแต่ว่ามันเจริญไปแล้วทําให้คนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <laughs> ใช่ไหม เพื่ให้ความเจริญไม่มีความหมายไหมไม่มีเพราะมันทาให้คนเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้น อ, นน อ, นอย่างนี้นีนจะยอมรับความจริงว่าในเมื่อเราพัฒนาบ้านออะไรให้เจริญก็จริงแต่ว่าเราก็เป็นทุกข์แต่คนสมยัยโบราณไม่ค่อยทุกข์อ่ะใช่ไหมเพราะเขาไม่พัฒนาบ้านเมืองเขาอยู่กันตามธรรมชาติธรรมชาติน้าก็ไม่ท่วมแผ่นดินก็ไม่ไหวไฟภูเขาไฟก็ไม่ระเบิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่พอไปพัฒนาโลกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแต่คนยอมรับได้ไหมเมื่อเป็นทุกข์เอะๆคนยอมรับได้ไหมยอมรับไม่ได้นะเป็นทุ ก, กข์การแวนคอตายกันเป็นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความหมายที่พระุทธเจ้าบอกว่าปัจจุบัน น, นักวิทยาศาสต ร, ร์มีความรู้ข้อจริงแต่เป็นความรู้ที่ถือเอาสิ่งที่ม่มีสาระว่าเป็นสาระถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงถื้อถึงว่าเป็นทุกข์ก็เป็นสุขถือเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนนักวิทยาศาสตร์ตัวนั้นสัตตจะนิคนก็คือนักวิทยา ไปสำคัญผิดไปคิดว่ า, าสังขารเนี่ยมันมันมันอยู่เหนือขันห้ามันเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นศาสนิคนเคยยอมแพ้ยอมแพ้พระพุทธเจ้าอันนี้คือพอจะเข้าใจไหมพอจะท่านสวุวรรณเองไหมแน่ใจว่าจะตามถูกหรือเปล่าเรื่องนี้ถูกครับ <laughs> เอาเข้าใจขณะที่เราไปนั่งพอดบัติเนี่ยพอจะเห็นจุดนี้ไหมว่ามันเป็นนิจังทุกขังนันตายยังไงความคิดเนี่ยมันมันเกิดการต่อสู้กันนะเวลา ที่เราไปนั่งปฏิบัติเช่นว่าโอ้มันก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่เข้าทําไมมาทําไมแทนที่มันจะมันก็ไม่ไม่ได้ราบเรียบเป็นหน้ากองอย่างที่ว่าหรอกมันก็เป็นมันก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างที่ว่าาเมื่อกี้ว่านักวิทยาศาสตร์กับผู้วิทธาศาสตร์เนี้ซึ่งพุทธาศาสตร์นี่มีมีความคมชัด วิทยาศาสตร์ก็กรชัดแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ต้องการทดสอบทดลองแต่พุทธศาสตร์ก็ต้องการทดสอบทดลองแต่พุทธศาสตร์ทดสอบทดลองไปแล้วมันเป็นเรื่องของนามกิจที่มันเกิดขึ้นแต่วิทยาศาสตร์ทดสอบทดลองมันเป็นรูปแล้วมันไม่จบไม่สิน้นแต่ผู้ทศศาสตร์มันทดสอบทดลองแล้วมันเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันจบมันสิน้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ มันก็เป็นในลักษณะนี้พี่เกิดเขาคนในศาสนาอื่นเขาบอกอ้าวถ้างั้นคําสอนผู้ที่เจ้าไปใช้ไม่ได้ดิเอาคําสอนผู้ทีเจ้ามาใช้โลกนี่ก็ไม่เจริญสิทำไมโยมสมส่วนอ้าอยู่ที่ส่วนฟังซึ้งหลับเทมเลยฟังซึ้งมากอยู่ที่ส่วนที่ส่วนถ้าคงคิดเขามาถามว่าในเมื่อ พร้ที่เจ้าเห็นว่าขันห้ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไปทุกไปหน้าตาเพราะนั้นไม่ต้องพัฒนาอะไรทั้งนั้นปล่อยไปไปตามเรื่องงั้นผู้ทีเจ้าสอนมานี้ไม่ใช้ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ทวงมาอย่างนี้เราจะตอบเขาว่าไงงั้นไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยบ้านเมืองไม่มีทีงรถไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเพราะผู้ศึกษาผู้ศึกษาผู้ทีเจ้าท่านไม่สนับสนุนให้สร้างเพราะอะไรเพราะทุกอย่างไปนิจยังทุกข์หน้าตาถึงทำไปสร้างไปมันก็พึ่งไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องไไปสรร้างอะเยนี่ เขามาทพวงอย่างนี้เราจะแก้ว่าไงให้สุวรรณก็สร้างด้วยปัญญาไม่ได้สร้างแบบหาลุ่มหลงไม่ได้สร้างแบบคิดเอาอมันมีกรอบมีจุดหมายปลายทางที่จะทําอยู่ออืทําแล้วมันเห็นผลแบบนี้มันก็ทําแล้วมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้อย่างเช่นหรือว่าเออให้มีความอดทนนะให้มีคันตินะซึ่งเมื่อก่อนถ้าไม่เห็นความอดทนจริง ๆ, ๆไม่เห็นคันตีโอ้ฉันก็ปวดฉันทําไม่ได้ ไม่ไม่ให้กำลังกับตนเองเอคิดเอาก่อนว่าไม่ได้แต่ยังไม่ลงมือกระทำแต่ในเมื่อลงมือกระทำแล้วเผือนทำลงไปแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างอะไรทึงเพียงทำไปด้วยความที่อยากจะกระทาลองลองดูแล้วผลมันก็เกิดขึ้นมาอืมประเด็นนี้เป็นเรื่องสัมคันธ์นะอ ย, อยอะงเตทิาศาสตร์เราก็ต้องอาศัยเพราะว่าเกี่ยวกับความจริงของนะใช่นะการเชื เนี่ยมากำลังจะถามโยมไม่จะจะถามโยมต้วยบอกว่าในเมื่อเขาท้วงมาบอกว่าในเมื่อพุทธศาสนาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจของนินจังทุกขังนักตายใช่ไหมที่เป็นวัตถุนั้นพุทธศาสนาก็นิยมไม่ให้พัฒนาสิถ้าพัฒนาอะไรมันเป็นทุกหมดใช่ไหมโลกนี้ม่นจะเจริญได้ไงถ้าถามยมต้วยไม่ยิน้อยจะแก้ว่าไง ถึงงันคดูไปนักถือผู้ศาสนาทําไมพราะผู้ศาสนาไม่ได้สนับสนุนความเจริญทางโลกอะ่ะแล้วคุณไม่ใช้ความเจริญทางโลกทุกวันนี่คุณไม่เชื่อผู้ศาสนาสิแล้วจะตอบข้ อ, อไหนตอบเพราะว่าความเจริญทางโล ก, กมีจีิงแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาจิตใจ อ, อเกี่ยวกับการพัฒ น, นาจิตใจมากกว่านะักธรรมุสัจธรรคือคนเราก็ไม่ได้มีความสูมากกว่าคนสมัยโบราณเพราะว่ายิ่งมีของที่มาใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้า ก็ยื่นลบกันไปไปฆ<ช>่ากันในความรู้สึกของโยมจะเป็นใช่ถ้ า, า ใ, ใจไม่ได้กัปชนาาอ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าเขาถามมาว่าเออเมื่อพวกพุทธศาสนาเห็นว่าลูกทั้งหลายทั้งปุ๋นเน่พัฒนาไม่ได้พัฒนาแล้วมันก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อั้นคุณก็ไปขัดขวางต่ อ, อการพัฒนาของโลกดิคุณก็มาเสียบสวยกับเขาด้วยเขามาพัฒนาคุณก็เอาเปรียบเ้าสิถ้าคุณไม่เข้าท่าเลยเนี่ยเป็นพูดเนี่ยพอบอกว่าเขาเรียกปากว่าด า, าขยิบอ่ะ เขาถ้าเขาตอบกลับมาอย่างนี้เราเราไม่มีทางออกเราแย่นี่นะวิธีทางออกทำไงทางออกนี้บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้คัดค้านต่อการพัฒนาวัตถุแต่ในขณะเดียวกันโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุอย่างเดียวโลกนี้มีนามธรรำอยู่ด้วยใช่ไหมแต่เราสนับสนุนให้พัฒนาควพร้อมไปทั้งสองอย่างพัฒนาวัตถุก็ได้แต่ขณะเดียวกันพัฒนาจิตไปด้วยให้รู้เท่าทันว่าจริงอยู่ฉันรู้ว่าฉันต้องมีลูกแต่ฉันต้องเจริญวิปัสนาด้วยพ่อวันใดวันหนึ่งลูกฉันป่วยแล้วลูกฉันตายฉันจะได้ไม่ทุกข์ ใช่ไหมอันนี้คนที่เจริญทั้งสองอย่างคือเจริญวิปัสนาไปด้วยฉันมีลูกได้แต่ฉันเจริญวิปัสนาไปด้วยเผื่ออะไรเผื่อว่าเมื่อฉันลูกฉันป่วยฉันตายฉันจะได้ไม่ทุกข์แต่นี่ถ้าหากว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาฉันก็มีลูกมีลูกแล้วฉันลูกฉันป่วยฉันตายฉันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ถือว่าคุณมีวัตถุอย่างเดียวคุณไม่มีได้จิตใจคือไม่พัฒนาด้านจิตแต่ให้ต่อบว่าพุทธศาสนานั้นไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาทางวัตถุนะไม่ได้วย เมื่อวัตถุเหล่านั้นมันเป็นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปทุกเราจะได้ไม่เปลีป่ยนแปลงกับมันใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถึงเจะถูกแต่ว่าคนในโลกทําได้อย่างนั้นหรือเปล่าทำได้เหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อ ย, ออยอเออยางอาตมาเนี่ยเออนี่ไม่ใช่ยกตัวเองนะมีอะไรได้ทุกอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นเสียไปก็ไม่ทุกข์บางครั้งเนะ่าย่างไปลืมทิ้มเฉยๆเลยเนะี่ะก็ไม่ทุกข์อ๋อเดี๋ยวเดยวคนเอามาให้ถ้าคนไม่เอาให้ก็ทิ้งไปเท่านั้นเอง มีอะไรทุกอย่างได้แต่ว่ามีสิ่งนั้นแล้วไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแต่ไม่ถึงกับมีเมียรองนะฉันมีเมียก็ได้ถึงเมียฉันเป็นอะไรฉันก็เป็นทุกข์อันนี้คนเราก็ผิดกติกาพราเราเป็นนักบวชใช่ไหมเหมือนกติกาทุกอย่างมีกติกาอย่างขันห้าเนี่ย <S <S กติกาของมันก็คือไม่เที่ยง <S <S เป็นทุกข์เป็นหน้าตาตาใช่ไหมแต่ถ้าเราไปฟืนมันเราก็เป็นทุกข์เพราะเราผิดกติกาเพราะฉะนั้นโยมสุวรรณกลับบ้านไปไปเจอเพชรทองที่ซ่อนเอาไว้มันหายไปเนี่ยจะว่ายไง ไม่ไม่ทุกเลยใช่ไหมโยมเป็นงอ้งแรกก็เออนไม่ใช่รา okay. okay. ่ไปก็เออลับนี้ไม่เจอนี่ก็หมายความไม่ทุกเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องตามหลังไปนะต้องตามหลังไปดูเออรถจอดข้างนอกเก่าไปรถฉันหายไปไหนนี่เป็นลมตึงเนอ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางขโมยกุญแจไว้สักวันวันหลังจะเล่นงานเล่นหน่อยจะแอบขับรถไปที่อื่นดูจะเป็นเะอยู่เป็นลมเป็นแรงไว้เนี่ไม่ถึงจะเป็นลมเป็นแรงเป็นลมเป็นแรงนะว่าไงมันโปร่งได้นะทำเห้โปร่งได้ครับพ่าไม่จะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องยังยังความตายอย่างนี้มัป โ<ล> อ, อนโอ<ล>น ใ, ไไใช่คื อ, อ, อ, อกับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาถามมาอย่างนั้นเราบอกว่าจริงอยู่เราไม่ได้ขัดขวางต่อการพัฒนาของขันห้านะแต่เราสนับสนุนให้พัฒนาตัวปัญญาด้วย<ช>แต่ปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่เป็นนิพนานะ<ช>นักวิทย<ช> า, าศาสตร์มีปัญญาไหมท่าน <c oughs> มีครับมีมใช่ไห ม, มและทำไมมันเป็นทุกข์เวลาเครื่องไปตกเครื่องมันไม่วิ่งเครื่องมันขึ้นไปอาวากาศไม่ได้กลับมาทํามันเป็นทุกข์นนะถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาคงผลิตไม่ได้ใช่ผลิตไม่ได้แต่ทำไมาเวลาขึ้นมันไปไ ป, ไปตามที่เขาต้องการมันทําไมเขาเป็นทุกข์อ่ะก็เพราะเขาไม่ได้ฝึกจิตใจเขามีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาวิปัสสนาอ่าต้องเป็นปัญญาวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเขามีศีลพัฒนาทุกอย่างได้มีความเจริญได้แต่ให้มันเจริญทั้งสองอย่างคู่กันไปแต่เปอร์เซ็น์มันน้อย นะเปอร์เซ็ด้านวิปัสสนาเนี่มันน้อยหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตอบอย่างนั้นอากิเวสนาโคตหรือท่านสัจจะเดกานี่คนเป็นไงครับก็ก้มหน้าแล้วก็หมดปฏิพานแล้วก็พ่ายแพ้แก่พระอ๋อพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอราตนาพุทธเจ้าไปรับพระทหารที่อารามของตนในวันพุธระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับไหมก็รับไปนี่เห็นไหมสัจจะนี่คนที่เป็นนักปราดใหญ่สมัยนั้นเท่ากับอ๋อ นักปราชญ์อะริสโตเติลเลยนะในสมัยนั้นสรรัจจานิคมถือว่าเป็นอริสโตเติลสมัยนั้นเลยแต่ในที่สุดหลังจากโตคําสอนนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อ่าแสดงให้ฟังในที่สุดสัจจานิคมยอมรับในวันขึน้นและนิมนต์พระไปฉันที่บ้านแสดงว่าท่านยอมรับยอ ม, ยอมแตไม่ไม่ได้เห็นว่าสัจจานิคมเป็นสาวกคนหนึ่งงพระพุทธเจ้า ไม่มีนะไม่ม่เห็นต่อกฎอ่าเพียงแต่ว่ามีความเริ่มใสในพระรัตนตรัเท่านั้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญการที่เราอ่าเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรู้จักกฎเกณฑ์ว่าทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําตามกฎเกณฑ์แสดงว่าเราไม่เชื่อกฎของอนิจจังทุกของอนัตตาทุกวันนี้คนไม่เชื่อนะอยู่ด้วยนะคนถึงได้ทําผิดกันนะี่ยก็รู้ว่ากินยาเสพติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ก็รู้อยู่ก่อนแล้วนะ มันจะเป็นอนัตตาพึ่งคนนั้นจะพึ่งตัวเองไม่ได้เขาก็รู้อยู่นะแต่ทําไมเขาจึงไม่ทําเพราะเขาขาดสติขาดปัญญาเขาจึงไปฝืนกฎแต่เขารู้ว่าถ้าการกินยาเสพติดเนี่ยมันจะทําให้เขาพึ่งตัวเองไม่ได้ทำให้เขาเป็นทุกข์ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคนไปเนี่ยเขาไม่ทําเนี่ยแสดงว่าเขาเชื่อกฎอันนี้ใช่ไหมแต่คนทุกวันมันไม่เชื่อกฎอันนี้ยังไปฝืนกฎเพราะฉะนั้น กฎที่ท่านสัจจะนิคนถามในสมัยนั้นคนสมนี้ยังฝืนอยู่รู้ว่าการละเมิดศีลเนี่ยมันไม่ดีเขาก็ยังละเมิดอยู่ใช่ไหมครับรู้ว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่ว่านไม่ดีเขาก็ยังกินอยู่เพราะเขาไม่เชื่อกฎของทานิาจาทุกข์ฐานัตตาครับไม่เชื่อกฎสูบบุหรี่กินเรื่อยแล้วมันยัอยู่ได้นะฮ่า่าฮสูบบหีต้อง็ไม่นไม่ดืมอ่อันนี้มันก็เถียงกันไม่จบอ่ะนะแต่ว่าประการสำคัญมันอยู่คนผิดที่คนบริโภค อ่าอยู่ที่คนบริโภคถ้าคนบริโภคไม่เอาใช่อย่างนะ<ต>คนผิดจะผิดมาเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายนะใช่ไหมไเพราะนั้นเรื่องนี้ดูเหมือนเผลๆเราสวดกันตักบาทรกันทุกทุกวันแต่เราไม่เคยลึกซึ้งขนาดนี้นะยมด้อยเพราะปัญหานี่เรื่องใหญ่ว่ามันเป็นความเจริญของผู้ศาสนาที่ว่าคนสมัยปัจจุบันเริ่มเห็น กดของอนิจจังทุกขังนาตาซึ้งขึ้นซึ้งขึ้นเพรได้มาปฏิบัติธรรมแต่ทำไมทางด้านตะวันตกโลกของด้านตะวันตกเขายังเป็นทุกข์อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเพราะเขายังไม่ได้เจริญนิพพานนิพพาน า, น า, นาเพราะนั้นเราจึงมาสอนนิพัานาแต่ว่ายังมาสอนฝรั่งเลยนะ แต่ผู้สอนเองก็ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะบอกว่าโทรศัพท์ขันหายแล้วก็วุ่นทั้งวัดเหมือนกันเหมือนกันมันยังปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นันนี้เราต้องศึกษากันต่อไปนะครเพราะว่าการที่จะเข้าถึงผู้ศาสนาต้องใช้ปัญญามากนั้นต้องปฏิบัติให้มากทีเดียวนะดังนั้นอันนี้คือการโต้ไม่ใช่ว่าโตวัตถีการที่สัจจานิคนเนี่ยไปเจอลูกศิษย์ของพุทธิย่าคือวัชชีนะครับ จะไปไล่เรี้ยงกับพระชิชิก็กลัวว่าพระชิสู้ตัวเองไม่ได้ก็เลยติดตามหาอาจารย์ติดตามหาพุทธเจ้าพอถามพุทธเจ้าพระถามว่าท่านสอนบอกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขาริญยาไปเทีย่ยงไปทุกเวทนาใช่ไหมใชอ่อย่างนั้นก็ท่านเคสอนผีด้วตั้งมือเที่ต้นไม้ใบหญ้าเมื่ต้องอาศัยปุ๋ยใส่ดีแต่านา้ำถึงจะเจริญรูปเวทนาสัญญาสังขาริญยามันอาศัยนิจังทุกขังแต่นถึงเจริญท่านสอนนี้ได้ไงถามพระพุทธเจ้าใช่หมพระพุทธเจ้าก็ใส่เลย เอาถ้าสมมุติว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายถ้ามีคนทําผิดทําไม่ดีในอาณาจักรของท่านในท่านเขาเอาไปฆ่าเข า, เาไปในรเทศเนี่ยคนนั้นจะอยู่ได้ไหมอา่าอยู่ไม่ได้ทำไม่ไม่อยู่หรอกถ้าหากว่ามันสั่งตัวเองได้อะทำไม่เป็นอนัตตาต้ออยู่ได้สิต้องไม่ไปตามนี่ถ้ามันเป็นอัตตาหนะ่ะทําไมเขาถึงไปล่ะเสร็จเลยพอจนเข้าคำนี้พุทธิยาไปซ้ําถามเท่าไหร่ไม่ยอมตอบก้มหน้าเฉยเลยเอาถ้าแกไม่ยอมตอบผมก็จแยกเป็นเจตเสียงนะใส่สซ้ำก็ไมอีก ในที่สุดก็ตอบต่อออกมาก็ยอมนะพระพุทธเจ้าท่านมีบททั้งขู่ทั้งปลอบทั้งอะไรนะพุทธเจ้าท่าน่านนั้นจริงนะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกวันก็เป็นอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่ากฎของตัิกาของขันห้าก็คืออ น, นิจจังทุกขังหน้าตาหรือ ว, ว่าใจรักเป็นกฎครอบคลุมทั้งหมดจักรวาลเลยนะทีนี้กฎอันนี้จะอยู่จะเอาชนะได้ด้วยได้ได้ไหมมีอะไรมากดกฎอะไรที่จะมาเอาชนะกฎอนิจจังทุกขังหน้าตาได้บ้าง ก็ต้องลงมือกระทํำแล้วก็ให้ม <m addressed> ันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเรียกว่าโลกุตละธรรมครับอ่าอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นกฎของโลกียะธรรมหมายความว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโลกียะเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎอันนี้ทั้งหมดครับแต่การที่เราจะไปอยู่เหนือกฎของโลกียะอ่าโลกียะธรรมต้องปฏิบัติโลกุตละธรรมครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าปฏิบัติโลกุตละธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ต้องอย่างเช่นที่มันก็ต้องปฏิบัติให้มันตรงข้ามเลยล่ะอืมก็ มีลาบเสียอมว่ามีเยอเสื่อมแล้วเยอะมีสารเสริมมีทางก็ต้องทําให้มันเหนือสิ่งนี้ขึ้นมาหมายความไม่ทํ า, าทตามกระแสครับทวนกระแสอ่าหมายความทวนกระแสครับสมเราอยู่เหนือได้อยู่เหนืออนี่ทางอันนี้จังทุกขงังแต่ได้เช่นว่าเวลมามันคิดได้อยากจะไปเราไม่ไปใช่ไครับเป็นโลกุตระได้ใช่ไหมครับ rồi, มันคิดอยากจะกินไม่กินใช่ครับคืออย่าทําตามอยากครับแค่ไม่ทําตามอยากนี่ก็ถือว่าเป็นท <implementing. S 2> วนกระแส ทวนกระแสแล้วเรียกว่าโลกุตละใช่ไหมอ่ายุมต่อได้ยินไหมเราจะอยู่เหนือกฎของนิจังทุกขังหน้าตาได้ด้วยอะไรอ่านั่นเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจฟังขาดไปนิดเดียวตอบไม่ได้เลยเขาได้คิวจับ ตะคิวจับเพราะมันไม่เที่ยงไงเลยเป็นทุกข์คือตะคิวจับเพราะว่าเราเห็นว่าตัวเองนั่งไปเห็นว่านั่งต้อยนั่งก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนถ้าไปเห็นด้วรูปนางมันนั่งปวดหน่อยเราก็ขยับเลยมันก็อันนี้อย่าลืมนะถ้าหากว่านั่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโยมมีบนนั่งท่าเดียวเปลี่ยนแปลงไหมปวดขาไหมเป็นเห็นอันนี้จังงไดอยังออขอให้เกิดทุกขังคือปวดขาใช่ไหแต่คิวจับเพราะนั่นจะทํายังไง ถ้าเผื่ว่าถ้านี่เป็นความเห็นของมนุมันไม่ได้จัดแย้งถ้าเผื่ว่าเราถ้าสมมุติว่ามนุษย์ั้งใจฟังเทศมนก็ลืมไปอ๋อลืมเลยเหรอเขาไม่ไดถือตัวโอไม่ได้เพราะอะไรเพราะดีคิวมันจับเลยอ่ะคิวมันจับแต่ถ้าเราวางเฉยมันก็จะไม่รู้สึกหรอกเออมีมันมีมันมีถ้าเผื่ว่าเฉยแค่แบบแบบว่าสนใจในสิ่งที่ท่านพูดมากกว่าสนใจตัวเองอ่ามันก็เลยลืมดังนั้นไปมันเนี่ยจะถามท่านส่วน ส่วนถ้าท่านนั่งปฏิบัติไปนานๆสักสองชั่วโมงเนี่ยมันปวดเต็มที่ท่านไม่ยอมขยับเลยอเป็นยังไงบ้างอมันก็ปวดมากเส้นก็ขาดปัญญาอ่าทําไมผมก็เปลี่ยนนะผมก็ไม่เห็นใช่ไหมอ่าทำไมไม่ทวนกระแสเมื่ี้บอกว่าทวนกระแสคืออย่าทวนี่ทวนทวนครั้งหนึ่งทวนครั้งที่สองอดูมันไปก่อนอ่าฮะครั้งที่สามโม่มันไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยแล้วเปลี่ยนแบบนีปัญญาก็เปลี่ยนค่อยๆกำหนดรู้ใส่ตัวรู้เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนมีจังหวะเปลี่ยนน้องเปลี่ยน กำหนดรู้ก่อนรู้เปลี่ยนนิดๆค่อยๆลงแล้วก็เปลี่ยนก็ขยับก็ขยับมันได้ที่ก็ทําต่อไปมันก็ตัวที่มันอยู่ตรงนี้มันก็มันก็อยู่มันก็ทําต่อไปเรื่อยเพื่อเพืนอ๋อทวนกระแสในที่ไม่มันหมายว่าฝืนไม่ทําตามมาเลยไม่ใช่นะฮะผมก็ไม่ใช่แบบนั้นหมายเขาให้รู้จักครับคําว่าทวนกระแสนี่ให้รู้จักกลไกของมันทุกต้องกำหนดรู้ใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ว่า เวลามันปวดขาก็ให้ปวดอยู่นั้นเอาจะมันหายได้โทวนกระแสเต็มที่อันนี้ไม่ถูกใช่ไหมเพราปวดขานี่เป็นทุกข<อ>์ทุกข์ท่านสอนให้กําหนดรู้ <ขอ S 2> ใช่ไหมแต่ว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรก็นั่งนานเหตุเกิดทุกข์ก็คืออยากจะนั่งนานๆคือความอยากใช่ไหมอย อ, อยากจะนั่นไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์คืออยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันปวดอแต่มันไม่ได้หายไปอย่างที่เราคิดอ่ะเพราะอะไรก็มันก็มันทุกข์เพราะเป็นอนัตตา มันสั่งมันไม่ได้ไงครับความปวดมันเป็นนั้นตาพ่อสั่งมันไม่ได้เออแกปวดนะฉันจะแกจงออกไปนะสั่งได้ไหมไม่ได้เพราะความปวดเป็นอะไรมันก็เป็นเป็นสิ่งที่บอกไม่ังบังคับไม่ได้อ่ามันเป็นอนัตตาครับคือมันไม่มีตัวความปวดมีตัวไหมมันโวนไปยังไงมันก็ไม่มีแต่มันอาศัยเราเกิดเฉยเฉยอ่าเห็นไหมเพราะฉนั้นเราก็บําบัดมันตายอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวครับอ่า ทีนี้อาการที่บังคับบัญชาไม่เป็ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะที่พึ่งไม่ได้เรายืนพึ่งท่านี้ไม่ได้สันท่านี้ฉันจะนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลยไม่ยอมเปลี่ยนนี่ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นอนัตตาพึ่งมันไม่ได้เพราะงั้นต้องแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าจะถูกก็คือกาหนดรู้ว่าเออดวงปวดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะกาหนดรู้ใช่ไหมตอบรู้แล้วทําไงรู้แล้วก็ก็เปลี่ยน่ะแต่ว่าให้มันรู้แบบชัดเจนให้มันเห็นแบบ ไม่ต้องให้มันหรือว่ามันอาจจะหลุดไปบ้างแต่ว่าเราก็หรือว่ามันหลุดไปแล้วนะเราก็มาตั้งกลับมาเพราาหนดรู้การที่มีสติกําหนดรู้แล้วเปลี่ยนไปนี่เขาเรียกเป็นสัมมาวายมะอใช่ไหมสัมมาวาะคือทําชอบเลยทําถูกพอทํานี้ป๊บความปวดไปไงมันก็จางออกหายไปใช่ไหมครับมันเป็นนรตาจามันหายตัวไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรมันจึงหายไปเพราะปัญญา พ่อปัญญาที่เรามีสติรู้แล้วเราพลิกได้เองเพราะไอ้ออความที่ปวดที่หายไปพ่อปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็แช่อ ย, อยู่ตรงนั้นมันก็ปวดไปเรื่อยๆครับอพอเราค่อยๆกำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนไอ้การลักษณะที่เปลี่ยนนี้เป็นปัญญาทุกข์นั้นก็หายปวดขาก็หายไปหายไปได้วยอำนาจของปัญญาครับตรงนี้เขาเรียกเป็นโลกุตรธรรมใช่ไหมเห็นไหม อันนี้จังเพือ่อเอาชนะง่ายๆด้วยการมีสติปัญญาเข้าไปกำหนดรู้แล้วเปลี่ยนแปลงครับ<ช>เปลี่ยนแปลงให้ถูกเหตุปัจจัยแล้วก็หายไปพอมานั่งท่าใหม่อีกมันจะปวดอีกไหมมันก็ยังปวดเพราะเพราะอะไรมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอันนี้จังเพราะสังขาร น, นี่มันเป็นสังขารโดยกําเนิดรูปนี่เป็นสังขารโดยกําเนิดเพราะฉะนัยย้นต้องเมืมันเป็นสังขารโดยกำเนิดต้องเปลี่ยนบ่อยบใช่ไหม อ, อันนี้คือหลักนะ น, นราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาเนี่ยสอนวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่คนเข้าไม่ถึงยงพิมลเลยใช้ไม่ถูกเอคนก็เลยเป็นทุกข์กันอยู่อย่างนี้ทีนี้บางครั้งเนี่ยจันทร์ส่วนครับคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจไปลึกที่น่าเบื่อนะครับแล้วจะทำไงให้มันน่าสนุกอ่ะก็ต้องหัดมองข้ามแล้วก็หัดทดสอบทดลอง อ่าเขก็ชิมลางลองดูหมายความว่าคนที่จะเป็นพุดได้เนี่ยต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปในตัวเขาก็ชอบทดลองชอบศึกษาชอบพิจารณา นะแต่ถ้าหาว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีนิสัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เข้าไม่ถึงพุทธศาสนาเหมือนกันครับพพุทธศาสนานสอนวิทยาศาสตร์ทางนามมารับแต่นักวิท ย, ยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์ทางวัตถุธรรมครับมันก็เลยไปคนละขั้วเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราได้เอาทั้งสองอย่างมาบวกกันนี่เขาเรียกว่าวิเศษเลยใช่ม ร, รู้ทั้งที่เป็นวัตถุทำและรู้ทั้งที่เป็นนามมรทำเข้าใจวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมครับคนนั้นก็เลยกลายเป็นอริยะบุคคลเป็นคนประเสริฐคอ่า เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะโยมถ้าสมมุติเราเข้าถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยชีวิตนั้นเรียกว่าอาริยะเหมือนนกมันมีปีกเดียวมันบินขึ้นไหมไม่ขึ้นมันมีสองปีกบินขึ้นใช่ไหมถ้าคนคนนั้นรู้ทั้งนามธรมมธรมวิทศาสตรทั้งดัมธรรมวิทศาสตร์ทั้งรูปธรรมคนนั้นมีปีกสองปีกบินไปเหนือโลกได้เขาเรียกาอริยะบุคคลแต่คนส่วนใหญ่มีปีกเดียวใช่ไหมคือรู้เรื่องแต่วัตถุ แต่ด้าิใจไม่รู้เรื่องเลยเริ่มบินได้ไหมไปเหนือวัตถุไม่ได้เป็นโลกุตละไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ศึกษารู้ทั้งสองอย่างดังนั้นวันที่สิบห้าถึงวันที่สองนี้เรามีอะไรอาจรวรรปฏิบัติธรรมอเป็นคอพิเศษอาจารย์สุวรรณลองพูดที่อยากให้โยมอยากอยากโยมอยากมาปฏิบัตินี่จะทําังไงลองพูดให้ฟังหน่อยก็จเชวนเนาะก็ก็ขึ้นอยู่กับอความพร้อมขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับ ความพอดีค ว, ออความเหมาะของเรานั่นแหละแต่มามาอยู่นี่ก็ก็เข้าใจนะว่าบางคนเขาไปไม่ได้หรอกโยมต้องทํางานชีวิตเขาต้องไปโน่นไปนีต่ต้อ ง, อ ง, องหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถทบจะมาอยู่วัดเลยก็เหมือนกับโยมจูเนียโยมโจนี่ก็ไปไม่ได้หรอกกับหลวงพ่ออะไรแบบเนี้ย บางทีมาแล้วหลวงพ่อก็ใช้ใช้ใช้ไหนบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบนี้ยมันอย่างายมฝรั่งที่เข้ามาช่วยงานวัดเขาว่าเนี่ยหลวงพ่อของเธอเนี่ยอจะมานั่งสนทนาธรรมเฉยแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติเฉยไม่ได้เหรือทําไมต้องให้ไปทํางานทําน่นทำ น, น, ทำนี่ให้ฉันต้องลำบากด้วยอะไรแบบเนี้ขเขาทางเครื่งองหลวงพ่อมาเนี่ยก็เลยเอออ้าวก็ก็มันเป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับผู้ที่เขายัง ไม่เข้าใจคําว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทําสิ่งนี้คือการอาสอบอารมณ์หรือว่าการาทดสอบศักดิของบุคคลคนนั้นเน่ยแต่ว่าในเมื่อญาติโยมผู้ที่พอมีเวลาหรือว่าพ่ อ, าพอตาแในตู้ทั้งหลายพ่อตาแม่ยายทั้งหลายญาติโยมผู้ที่พอมีเวลาก็ อ, อยากจะชักนํามาชิมลางมามาทดสอบนิดๆหน่อยๆทีว่าเออการทำมะปฏิบัตินี่มันดีจริงไหมลองมือทํา ประสบการณ์ที่ไปเห็นอยู่เมืองไทยมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ศรัทธาในในการกระทํายกมือเลยเขาว่านายกเท้ามันก็ไม่รู้หรอกเพราว่าอย่างเงี้ยมันจะมาก็เลยผอ้มันถ น, นัดมันพูดถ้าเราไปนั่งเขาเป็นพวกนายการด้วยเขาไปนั่งอ้โยมโยมว่ามันไม่รู้จริงอ่ะโยนไม่ทำเมื่อ ย, ย่างสิ่งที่โยมพูดนี่มันก็ไม่ได้เห็นะเห็นเขาไป ถ้าเห็นด้เฉยถ้าไม่ลงมือมันจะสำเร็จหรือ<ม>ก็ชักนำพอชักนำเขาก็มาทำทำสองสมวันเขาก็ไปไปผมก็ปล่อยเขาไปก่อนเมื่อไปผมก็พยายามถามหาเออเป็นยังไงคุณพ่อมาไม่ไม่ไ ม, มาเออชักนำโน้ม น, น้าวพ่อเปมามาฟังบ่อยมันก็ซึมวันนั้นซึมวังวนี้มาเขาไปแอบทำอยู่ที่บ้านเขาเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของลูกของ ตระกูลเขาผู้ที่เขามาปฏิบัติแล้วปรากฏว่าผู้ที่แบบว่ายกขาไม่รู้เนี่ยกลับรู้ธรรมะก่อนผู้ที่เข้านาไปจําด้วยก็มันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทดสอบปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ละ่ะเต่ว่าก็น่าเห็นใจ ญ, ญาติโยมถ้าเห็นทางก็แอบบแบบมาลักนะมาอลไยชั่วโมงสองชั่วโมงหรือมาแล้วก็มานั่งมาฟังมาซึมซับ นิดๆนหน่อยนะซึ่งบ่ทรายซึ่งมา น, นั้นซึมมา น, นี้มันอาจจะได้ปัญญาได้ประโยชน์จากสาระแทนที่จะม า, าส่งข้าวพระ อ, อะไรเฉยๆก็ชิดชื่อว่ า, าเออมาทําแบบภาชนะที่มันว่างๆไว้ก่อนถึงนั้นมันจะเต็มอยู่แต่ว่าเราล อ, ลองลองวางภาชนะที่มันเต็มแล้วหรือว่าเทออกก่อนหรือว่าถ่ายไว้ก่อนก็ได้แล้วพาชนะที่มันว่างๆนี่มาลองรับดูมันจะรับดีรับไม่ดีรับไว้ก่อนถ้ามันไม่ดีเราก็สามารถ เททิ้งได้น่ายมพี่มนเอาเออกได้สะสางแล้วออกก่อนเพ้าว่าเอากลับไปเรื่องมันไม่ดีหิ้งมาดูอ๋อมันไม่มีอะไรสะสางเททิ้งเอาของเก่ามาใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเอาของเก่าออกวางไว้แล้วของเก่าก็ไม่ทิ้งของใหม่เราเอามาเราจะเกิดอ่าอ่าเพ้าว่าเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรมอาจจะเกิดคติธรรมข้อใหม่ๆเกิดขึ้นกับาชีวิตจิตใจของเราในโอกาสที่ว่าน่าหรือหลงพ่อครูบาอาจารย์ท่าน มานำพาเนี่ยตมาก็อยากแค่ชักชวนในรู ป, ร ป, แ, บรปแบบรูปแบบนี้แหละแต่ว่าส่วนพระก็จะเป็นกัมยาณมิตรอยู่ห่างๆอยู่ช่วยหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนปฏิบัติไม่ว่าสงสัยก็ถามแต่ถามก็ถามพ อ, พอประมาณถ้าถามแล้วตอบให้ทุกคําเราจะไม่มีคําตอบในเราเพราะเป็นคําตอบของคนอื่นแต่ว่าถ้าเราถามเราแล้วเรามีคําตอบในเราไหมถ้ามันยังไม่ลองหาดูซิ าหาวันนี้ไม่เจอหาวันหน้าหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆด้วยไม่ใช่หาแล้วก็ทิ้งไม่ได้ต้องเก็บไว้สะสมเป็นความรู้ประสบการณ์การบ้านแต่ว่าถ้าคิดมากมันก็ไม่รู้นะเราเกิดคิดเราก็วางไว้ด้วยเออเอาเป็นหมวดเป็นหมู่เอาไปมามันอาจจะเต็มหรือว่ามันอาจจะมีเป็นสมบัติของตนเองเนี่าที่อที่หลวงพ่อยกตัวอย่างาเรื่องอปลูกต้นไม้ปลูกกินเองกลับไปซื้อมันก็สะดวกก่บกันอยู่แต่การที่เราสักวันหนึ่ง เราไม่มีเงินไปซื้อเราอาจจะอ่าไม่ได้ในสิ่งที่เรากินจะกินแต่ว่าถ้าเรามาปลูกแล้วเราเป็นแล้วเรามีแล้วมันออกดอกออกผลให้เราได้กินเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อแต่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราพอใจยินดีไปซื้อก็ไม่เป็นไรเอามากินก็สามารถได้กินทั้งสองอย่างก็อนุโมทนาชัเชวนในรูปแบบแบบนี้ยมฟังแล้วอยากจะมาไหมเนี่ยอยากไหม อ, ม อ, อถ้าหากว่า ท่านพูดนี้อยากมาแสดงว่านพูดได้สําเร็จแล้วนะเนี่ยออต้องถ้าเกิดท่านนั้นปลุกจิตปลกใจแลโยมอยากมาแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวนะนอยากมาหลายการก็ฝักใส่ในธรรมิจงจริะอะไรนะการคนที่ต้องฝักไใยในธรรมกับคนที่อยากมาอ๋อคนที่ฝักใยในทรรมกับคนที่อยากมาต่างกันยังไงอาจารย์สุวรรณคนที่เขาฝักไยนี่ก็เขามีศรัทธาแล้วเข้ามาแล้วนี่เขาจะเกิดปัญญาปิง้งโลกว่าแต่คนที่เขา ไม่อยากจะมาแต่เขาเดินบังคับหรือว่าเขาอ่าเขาอยากเขาอยากจะมาฟังอาจารย์สวรแล้วอยากจะมาอย่างนี้นะสมมติเราฟังแล้วอยากจะมาอก็มาเลยมาแล้วก็มาปฏิบัติมาทำแสดงว่าเขาเกิดศรัทธาใช่ไหมก็เขาเกิดเลยเขาเกิดศรัทธาเขาอยากจะมาสมมว่าเขาอยากจะมาพระผู้ที่ชอบชวนหรือว่าผู้ที่นําพาก็ต้องพาเขาทําในให้มันตรงขอบตรงจุดหมายที่เข้ามา ถ้ามาแล้วพาเขาเคลออกไปนอกเขาก็ไม่อยากจะมาในเพรานว่าจะมาปฏิบัติในต้องมาทํางานอะไรแบบนี้มันก็ไม่ตรงประเด็นที่เขาจะมาเถ้ามาแล้วเขามาทําปฏิบัติเออมันตรงประเด็นเขาก็มาแล้วสิ่งที่เขาได้กลับไปโอ้เป็นแบบนี้อ่าสอดแทรกปัญญาให้เขาเออเขากลับไปคิดเถอะภูมิธรรมเขาเกิดขึ้นอ่าเขาก็พัฒนาจิตของเขาเส่วนถ้าเขามีเขาเป็นแล้วก็าพาเขาทําจะทําอะไรก็ทําทได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นในลักษณะนี้ครับอ่า เนื้อโยมพระอาจารย์สุวรรณฟังแล้วอยากจะมาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวว่าการที่เราจะปูกฝังเรื่องของสติปัญญาเนี่ยมันต้องเริ่มมาด้วยศรัทธาศรัทธานี้ต้องมีการพิสูจน์นะเอามาพ่ออะไรมาจึงพาคนปฏิบัติแล้วก็ทำงานคือต้องการพิสูจน์ว่าคนมีศรัทธาจริงไหมถ้าคนมีศรัทธาจริงก็ว่าหนักเอาเบาสู้เอาคนนี้ไปได้แต่ถ้าหากว่าคนไม่มีศรัทธานี่ เราก็ชวนทํางานเพื่อเขาจะได้หนีไวขึ้นไงเพราะเขาไม่มีศรัทธาหลว <c oughs> งพ่อการีเขาทำงานให้วัดนี่เป็นการเจรียสละเป็นการเสียสละเป็นศรัทธานะศรัทธ า, าเบื้องต้นะนะพราะที่ศรัทธานี่ปลูกฝังได้หลายระดับหนึ่งศรัทธาเกิดจากการให้นี่นะ เช่นการที่คนเราจะมีศรัทธาที่ขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยก็ศรัทธาเบื้องต้นเสียก่อนเช่นได้ให้ทานได้ให้ของได้สรา้สรางนู่นสร้างนี่ได้ออกกำลังได้ ต, ต่างนี่ศรัทธาเบื้องต้นต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนได้สละสละวัตถุสละสิ่งของสละกำลังกายกำลังสติปัญญาศรัทธาค่อยปลูกฝังไปทีละนิดนี่ถ้าสมมุติว่าศรัทธาเบื้องต้นเขายังไม่มีเลยเนี่ยพาไปทาศรัทธาเบื้องสูงเนี่ยเขาก็าไปไม่รอดอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ศรัทธาเบื้องเบื้องต้นให้เสียก่อน ว่าเออลองใช้เขาทำงานเขาทำจริงไหมลองให้เขาให้ทานเขาทำจริงไหมก็น้ำมันสไายนี้เข้มแข็งปั๊บเนี่ยตอไปเพ่บอกให้นั่งสร้างจังหวะโดยวยมันจะหนุนกันไป บางคนที่เขามีพื้นฐานศรัทธาเหล่านี้ดีแล้วเนี่ยพอไปนั่งปฏิบัติไม่นานได้แต่บางคนศรัทธาเบื้องต้นไม่มีไปนั่งปฏิบัตินานเท่าไหร่หลายปีก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะศรัทธาเบื้องต้นไม่เข้มแข็งมาใช้ทําอะไรนิดก็ไม่เอาเบื่อมาปฏิบัติไม่ใช่มาทํางานหนีเลยอันนี้เรียกว่าศรัทธาเบื้องต้นยังไม่มีแม้แต่กําลังกายก็ยัสระกให้ไม่ได้ครับอย่าว่าแต่กําลังความการปฏิบัตินั่งวิปัสสนามันไม่ใช่กําลังกายไม่ใช่กําลังต้องตื็นกําลังบันดาลใจ กำลังที่ใช้พลังมากเลยเพราะฉะนั้นต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านปูฐานตั้งแต่การศรัทธาคือการให้ใช่ไหมครับให้แล้วทีนี้ก็สละเข้ามาอยู่วัดคือการรักษาศีลครับหลังจารรักษาศีลได้แล้วทําอะไรแล้วอยู่วัดได้แล้วมาอยู่มากินมาอยู่แบ บ, บแบบแบบนัก บ, บวชได้แล้วก็สามารถจะภาวนาได้ทีนี้ ไอการให้ก็ให้แต่ว่าพอจะมาลงทํางานมาอยู่วัดนี่ชักไม่เอาแล้วนี่แสดง ว, ว่าสัทธายขั้นที่สองยังไม่เกิดอครั บ, บอันนี้เป็นการใกล้แล้วนะพระหนูแกพระหนูแกจะไม่ไหวแล้วแต่ควจริงถ้าไม่ไหวต้องกลับก่อนได้นะอย่าไปรอให้หลวงพ่อจบนะหลวงพ่อจบห้งบางมงค์ก็บากนะน <c oughs> เออเออจะพาไปห้องน้ำก่อนไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราสนทนาธรรมกันเรื่องนี้เพื่อที่ให้โยมเกิดตัวปัญญาว่าในพุทธศาสนานั้นเราต้องการปลูกฝังสติสมาธิปัญญาตามลําดับแต่ว่าสติสมธิปัญญาที่มันจะเจริญเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรขอบนี้ศรัทธาและความเพียรน เ, นเป็นเรื่องสําคัญโยมเคยเห็นไหมเจดีเนี่ยเขาสร้างแบบไหนทรงเจดีเป็ทรงแบบไหนโยมคุณต้อยคุณต้ยเคยเห็นเจดีไหมเจดี JD เป็นทรงแบบไหนฐานกว้างใช่ไหม แล้วก็ยอดแหลมใช่ไหมทำไมเขาสร้างแบบนั้นอะทำไมไม่สร้างยอดสี่เหลี่ยมขึ้นเลยอะให้ฐานงให้ฐานน่อชั่แข็งแรงนะแต่ไม่ใช่ห้างยังตึกนะคืยังตึกก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าทาไมเขาไม่สร้างแบบตึกเขาบอกว่าใชชแข็งแรง้งฟเดชแข็งแรงต้องลงลงาดลึกลงลงเหล็กลงอะไรลึกนะเพราะว่าเราสร้างเอพราะเราสร้างตึกสี่เหลี่ยมเนี่ย ไม่ได้คำหนึงถึงว่าจะอยู่ถึงได้ร้อยปีพันปีใช่ไหมแต่สร้างเจดีย์ท่านคำหนึงถึงเป็นพันๆปี แ, แต่ว่าท่านต้องการแสดงถึงซิิมโบลกสัญลักษณ์ว่าคนเราต้องมีฐานศรัทธาเหมือนฐานเจดีย์ที่กว้างใหญ่ให้มีศรัทธาขนาด น, นั้นก่อนแล้วยอดมันถึงจะมั่นคงได้แต่ถ้าหาสมบัติฐานไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่ลึกยอดก็มั่นคงไม่ได้ เพราะนั้นคนที่มีปัญญาหมายความว่ามีสรัดารศรัทธาลึกซึ้งแล้วอย่าว่าแต่ไกลแค่พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาขนาดไหนว่าเขามาขอข อ, อลิดเนื้อถือหนังก็ยังให้เลยเคยได้ยินไหมครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านพระรูปหนึ่งป่วยในสมัยพุทธเจ้านะป่วยแล้วปรากฏว่าผายผอมลงทุกวันทุกวัน ท, นทีนี้ก็ใจลึกเนี่ยอยากจะกินเนื้อคนพอไม่ได้กินแล้วมันผอมบางพอเขาไปถาม ทำไมไม่หายใาจกันบอกอย่า ก, กินเนื้อคนไม่กล้าพูดทีนี้วันหนึ่งโยมคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันมาเยี่ยมว่าท่านเป็นไรไผ่ผอมโอ้ยอยา ก, กินเนื้อคนเหรอเหมือนโยมคนนั้นก็วันหนึ่งโยมคนนั้นก็ทำอาหารมาให้ปรากฏว่ายัางจะกินอาหารตรงนั้นโลกก็ดีก็หายขึ้นแต่โยมคนนั้นหายหน้าไปพักหนึ่งพระพิฆาต ก, ก็ถามว่าโยมคนนั้นไปไหนอ่ะ ชื่อกรยงสุจุลพัทนาโยงจุลพัทนาไปไหนหายไปทั้สองสามอาทิตย์เอาป่วยไม่สบายเอ้าทำไมอ่ะก็เลยส่งให้พระไอ้พระ ส, สาวกไปไปดูที่บ้านไปเยี่ยมที่บ้านในฐานะเป็นพนนะ mm hmm. ระสวดบัลนะนะปากฏว่าแกเอาไอ้นิมมไดเสียนเนื้อหน้าขามามาทำอาหารถวายพระรูป น, นั้นแล้วก็แผลอักเสบเลยไม่ได้ไปวัด พุทธเจ้าก็ใจส่วนเนอเอาไอโยมทําอาหารไปถวายใครไปถวายพระก็ถามพระไปอะไรบอกว่าผมเป็นป่วยไม่สบายแต่อยากไอเนื้อคนเนี่ยมันเป็นเนื้อที่รักษาโรคของท่านโยมคนนั้นโยมจุลวัฒน์มาเยี่ยมก็เลยบอกตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าเลยห้ามขอคนที่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ยจะไปขอท่านเพราะพระโสดาบันให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วไม่ควรตัวขอไม่แต่ให้เนื้อเถือเลือดเนื้อเถือหนังก็ให้ พ่อโจมอยู่สวนพระธาตเนี่ยเป็นเป็นพระโสดาบันแต่ผ้าที่ป่วยเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่พระริเจาเลยต่อว่าวบัตรว่าห้ามขอของกับพระโสดาบันถ้าพิสูจนลูกใหญขอสมบัติพิสูจน์มนต้องต่อว่าวบัตรถูกต่อบ่าบัตรเไม่รู้เลยนะเพราะใช่ใช่เขาไม่ ร, ร, ร, มรู้แต่ว่าคนจะถามก่อนตรงที่ว่าเขาให้ได้ทุกอย่างดังนั้นฐานศรัทธาของพระโสดาบันหรืออาจารยศรัทธาคือศรัทธาไม่ใครจะขอได้กระทั่งชีวิต นะอย่าว่าแต่ขอของให้ไม่ให้เลยอย่าว่าเงินแต่ทองของข้าวแม้กระทั่งชีวิตก็จะให้เลยพระโสดาบันขนาดนั้นแต่ให้ในกิจอันสมควรนะแต่ถ้าวางจุลภพัชชาไม่ให้เนื้อตรงนั้นพระรูกนั้นอาจจะตายใช่ไหมนี่คือใจของท่านปรากฏว่าท่านรอดครับ นี่คือฐานศรัทธาครับเพราะนั้นศรัทธานี่ว่ามาปฏิบัติแล้วไปใช้งานแค่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากก็อะไ ร, รเพราะต้องเป็นการพิสูจ<อ>น์ศรัทธาใช่ไหมถ้าหากว่ามีศรัทธามากขนาดนั้นแล้วการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าครับมาอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเอาละทีนี้ได้เวลาก็ขอให้ท่านส่วนสรุปก่อนว่าในเรื่องของสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านสกัดแต่ในข้อสาระสาคัญคืออะไร ในการที่ได้มาบังธรำในวันนี้สาระที่เราได้จากกาันมีก็เรื่องอขันห้าเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็อย่างน้อยก็ทําให้ภาษาวกหนี่ ม, พมีพระพุทธเจ้าี่มีสาวกเกิดขึ้นมาได้ที่เป็นระดับผู้นําขึ้นมาอีกท่านหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ตามตามกันมา ดังนั้นก็วันนี้ก็คงได้สาระในส่วนที่เป็นปรมาาัทธสภาวะแล้วก็ส่วนที่เป็นอ่าสภาวะโดยสมมติแล้วก็โดยนามธรรมโดยรูปธรรมที่ได้เห็นเป็นปัญญาได้เด่นชัดให้กับจัตโยมมากขึ้นก็ขออน้มเอีทนาไว้แต่เพียงต่านี้เด็กผู้สาธุอาตมาสรุปอีกนิดนึ่สาธุมาด้วยนะ ก็เป็นนั้นว่าในการสนทนาทั้งเรื่องนี้เป็นการพอกพูนเพิ่มพูนที่ส่วนที่เป็นโสตะมยปัญญานะในโสตะมยปัญญาตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นจินตามย ร, รยพัญญาโยมก็ต้องนําไปคิดละโยมชานชัยกิบไว้ก่อนเดี๋ยวฟังหลวงพ่อ น, นิดหนึ่ง อ, อย่าเพิ่ง ว, ว่าในส่วนที่เป็นจินตามย ร, รยปัญญาเนี่ยจะต้องนําไปสู่การกระทําแต่ถ้าหากว่าฟังแล้วพิจารณาว่าถูกต้องดีแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปกระทำเนี่ยปัญญา เกิดไม่ครบสานครับนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาโลกุตละจะได้แค่ปัญญาที่เป็นโลกียะถ้าปัญญานี่มันมีสองอย่างคือโลกี้ยะโลกุตละถ้าเราได้ฟังแล้วได้พิจารณาถูกต้องแล้วแต่ไม่ทําตามนี่เป็นโลกียะอยู่โลกียะครับถ้าเอาไปทําตามแล้วถ้าทําตามไม่ถูกต้องก็ยังเป็นโลกียะอยู่ถ้าไปทําตามแล้วถูกต้องด้วยเป็นโลกุตละ เพราะนั้นปัญญามีสองขั้นคือปัญญาโลกิยะเนี่ยยังไม่สามารถจะอยู่ใต้โกฎของอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้แต่เมื่อไหร่พัฒนาโลกิยาปัญญาให้เป็นโลกุตรปัญญาคือทำตามและทำถูกต้องได้ด้วยอันนั้นจึงเป็นโลกุตระปัญญาแล้วคนนั้นจะพัฒนาได้ถึงสองอย่างคือเสพความสุขในวัตถุ ก, ก็ได้เสีพความสุขในธรรมก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่โไม่เกิดโลกุตรปัญญาเนี่ยคุณมีความสุขในโลกิยะ แต่ขณะเดียวกันคุณต้องเจอความทุกข์ในโลกุตในในแง่ของนิจังทุกขังหน้าตาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมคนทุกวังนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าคนไหนได้เสวยความสุขจากวัตถุแล้วถ้าคนนั้นได้ปฏิบัติโลกุตละด้วยคนนั้นก็จะไม่ได้รับวิบากกรรมครับาะวิบากกรรม ค, คือต้องเป็นไปตามกฎของนิจังทุกขังหน้าตาแต่คนนั้นปฏิบัติในโลกิยะได้แต่ว่าก็าปฏิบัติวิปัสนาได้คนนั้นจะถึงใช้วัตถุขนาดไหนก็จะไม่เป็นวิบากกรรมเพราะว่าจิต อยู่เหนืออันนี้จังทุกข์งหน้าตาเพราะฉะนั้นชาวพุทธสามารถมีความสุขกับวัตถุได้ถ้าเขามีวิปัสสนาแต่ถ้าหากคนนั้นมีความสุขในตัน้งวัตถุแต่เขาจะต้องพุกอย่างมหันเพราะเขาไม่มีวิปัสสนาการทุกอย่ากมหันในการเสดสวรวัตถุเรียกว่าเป็นวิบากกรรมเข้าใจนะอันนี้คือ ก, กฎกติกาของไตรลักษณ์ขาขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของญาญุงทั้งหลาย ที่ได้มาศึกษาแล้วก็ให้นําสิ่งนี้ไปพิจพิจารณาเพราะเราทั้งหลายเนี่เป็นชาวพุทธที่ว่าเป็นผู้ที่ เ, เจริญในปัญญาและปัญญาตัวนี้จะเป็นแสงสว่างของโลกถ้าหากเราทั้งหลายเป็นตัวแทนของชาวพุทธแล้วสามารถนําเอาอคําสอนครูเจ้าไปใช้ ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สามารถชี้นาคนอื่นได้ในทางที่ถูกเป็นที่ยอมรับชื่อว่าเราได้เผยแพร่พุทธศาสนาร่วมกันได้ช่วยประครับประคองพุทธศาสนาร่วมกันเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นเป็นอ น, นิสงส์ที่จะให้เราหมดภูมิหมดตันหาหมดอาสะวะในชาตินี้ดยกันทุกคนทุกท่านถือสาธุ